สันนังคตฉามิธรรมังสรนังคตฉามิสังขังสรนังคตฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังคตฉามิ ติยมปิธรมมังสรนังคตฉามิทุติยมปิสังขังสรนังคตฉามิตติยมปิพุทธังสรนังคตฉามิ ติยมปิธัมมังสรนังกัจฉามิตัยตยัมปิสังขังสรนังกัจฉามิติดสรนักคัมมณังนิทธิตั ง, ตางอาจเจริญตามทุกคน วันนี้จริงๆก็งานมหาปรณาเรานี่ยมันก็พนวกเอางานของวันเกิดวันเกิดของปฐมโสุกด้วยวันเกิดของปฐมโสุกนี่จะเป็นวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตใช่ไหมวันเออพรุ่งนี้อาทิตใช่ไหม วันนี้เป็นวันผนวกในงานของเรานี่จะมีสามอย่างหนึ่งมหาปรนาจัดไว้สองวันคือจัดไว้เป็นวันจัดไว้วัน อ, อจัดวันต้นสองวันวันพระหักะสกศุกส่วนมากจะเกิดไปจัดวันพระหักะสกศุกให้สมณะ ท่านมาภาวนากันแล้ววันต่อมาก็เป็นวันของตักบาตรเทโวพอสมณะท่านเสร็จงานเสร็จเรียบร้อยท่านก็ลงมาตักบาตรเทโวคือวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็เป็นวันเกิดของปฐมปรสงค์เรายึดอาวันเกิดเป็นวันสําคัญจะตกวันที่เท่าไร่เราไม่ว่าถือว่าวันเกิดของปฐมปรสงค์นี่แปลก ปรตูโซมันเกิดวันอะไรวันอาทิตย์วันที่เท่าไหร่วันอาทิตย์วันที่เท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยววันอาทิตย์ถือเอาวันอาทิตย์ก็สี่วันงานสี่วันวันนี้ก็เป็นวันตักบาตเทโวนาตบาสายสองวันนี้สายเดินบินทบาตเสร็จแล้วไปจากนี่มานี่ยังวนซ้ํามาดูกันอีกเวียนไปโน่นอีกมาอ่า ตากบาทเทวก็ดีนะเพราะเราก็ยังรื่นเริงในธรรมก็ยังพร้อมมีฉันทะในเรื่องของการที่จะได้ร่วมนได้ร่วมกับความเป็นพฤติกรรมของาศาสนาพฤติกรรมของาศาสนาพฤติกรรมของธรรมะซึ่งเรื่องของคำว่าธรรมะ คำเดียวเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะยกตัวอย่างเช่นคำแรกว่าธรรมะเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่ดีธรรมะนี่รู้กันโดยปริยายเลยว่าหมายความว่าสิ่งที่ดีนะถ้าไม่ดีไม่ใช่ธรรมะไม่ดีนิดหนึ่งก็ไม่ใช่ธรรมะ เปื่อนเศษธุลีของความไม่ดีก็ไม่ใช่ธรรมะเพราะว่าธรรมะยังมีด่างเปือเป่อนเปื้อนธุลีคือความไม่ดีเพราะฉะนั้นที่สุดแห่ทงที่สุดของธรรมะนี่คือความดีงามสิ่งที่ไม่ดีก็คือความด่างพลอยขึ้นมาจึงก็ต้องถึงหยาบใหญ่เรียกว่าอะธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าอะธรรมก็หมายความว่าสิ่งที่ยังไม่ใช่ธรรมะแท้ ฟังให้ดีๆเนีฟังให้ลึกซึ้งมันผู้ที่จะถึงธรรมที่สุดแล้วเนี่ยเราถือว่าขั้นอรหันต์ขึ้นไปเนี่ยเป็นผู้มีธรรมธรรมมาแปลว่าสิ่งที่มีอยู่ธรรมมากใแปลว่าสิ่งที่มีอยู่เพราะนิพพานคืออะไรนิพพานคือสิ้นอธรรมผู้ที่ทําให้อธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยหมดไปจากจิตเลยจิตเราเป็นสําคัญ เป็นประธานเพราะจริงที่สุดจิตนี่จริงกายกับวจีนี่เป็นเรื่องที่เกิดจากจิตเป็นประธานมโนปผังกมาธมามโนเศรษ ธ, ธามโนมยาเพราะจิตที่จริงเนี่ยบริสุทธิ์สะอาดเลยแต่ประพฤติข้างนอกกรรมกิริยาทางวาจาก็ตามทางกายกรรมก็ตามออกมาข้างนอกแล้วอาจจะไม่ไม่ดีไม่คนมองแล้วว่าผิดคนมองว่าไม่ถูกต้อง คนมองว่าหยาบอะไรเงี้เป็นต้นแต่จิตของท่านไม่มีหยาบเลยสิ่งนี้เลยเป็นเรื่องรู้ยากเป็นเรื่องอนุโลมปฏิโลมของผู้ที่จิตบริสุทธิ์แล้วจิตไม่มีดังพร้อมิติเจตนาที่จะอนุโลมกับคนข้างนอกเพราะจะมีพฤติกรรมอย่างนี้เช่นอาตมาเนี่ยจำเป็นต้องหยาบแสดงกรรมกิริยานัจจะท่าทีลีลาขีตะสุ่มเสียงสำเนียง วาทิตะคําพูดภาษาแสดงออกประกอบองค์ประกอบการแสดงกริยากริยาของคําพูดกริยาของท่าทางกริยาแม้แต่กริยาแสดงร่วมออกมาทางความรู้สึกทางจิตปรุงแต่งกันออกมาทั้งหมดเรียกว่ากายสังขารคำว่ากายสังขารคือการปรุงร่วมออกมาทั้งหมดเลยนะ กายสังขารวันนี้เจตนาจะอธิบายคำว่า ก, กายจะขยายคำว่า ก, กายให้ฟังละเอียดเป็นวันพิเศษตั้งใจฟังใครฟังคำว่า ก, กายเข้าใจได้วันนี้แล้วไป ป, ปฏิบัติธรรมถ้าเข้าใจอย่างสมบูรณ์ได้อรหรันถ้าใครเข้าใจคำว่า ก, กายยังไม่ได้เป็นสมาธิชัดเจน ไม่มีทางเป็นอรหันต์ที่อาตมาขอยืนยันว่าไม่มีทางเป็นอรหรนันต์นี้เอาหลักฐานของพระพุทธเจ้ามายืนยันในคำตรัสของพระพุทธเจ้าในพระเปฐมดกเร่ม36เนี่ยที่ยืนยันว่าสามสิหรือ36มสอ็อาตมาก็ชักจะไม่ค่อยชัดไม่ค่อยแน่ใจนะสาหรือ 30, คุณรู้ว่าอาตมายพูดอะไร ไม่ใช่อันนั้นสาสอ็ดข้อห2 0อยสอันนั้นโลกุตระสี่สหสาสบอ็ดข้อห2 0อยอันนั้นจาได้แต่อันนี้ที่อาตมาจะพูดเนี่ยหมายความว่าต้องสัมผัสวิโมกษาด้วยกายคำนี้เป็นคำที่เป็นเงื่อนไขที่พระพุทธเจ้าท่านสำทับไว้ตรงนี้เพราะท่านอธิบายถึง ผู้ที่มีธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วเนี่ยแม้จะมีกายะสักขีกายะสักขีสขีหมายความว่าเป็นพยานหลักฐานแม้จะมีองค์ประชุมกายคือความองค์ประชุมหรือองค์รวมองค์ประกอบสิ่งที่รวมกันอยู่ทั้งรูปและนามกายคือทั้งรูปและนามรวมกันมีแต่รูปเฉยๆเป็นกายไม่ได้ มีแต่รูปเฉยๆเรียกว่ากายไม่ได้ฟังให้ดีนะจะเห็นได้ว่าคนไทยนี่ซวยตรงที่ว่าภาษาคำว่ากายมาใช้เป็นภาษาไทยหมดแล้วแปลว่าสิ่งที่ไม่มีจิตเห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงตัดประตูนิพพานเลยเพรา ะ, ะนั้นคุณจะเข้าใจได้ยังไงสัมผัสที่โมกแปรด้วยกายคุณไม่รู้เรื่องหรอกกายคือองค์อุออประกอบของรูปและนาม แม้จะเป็นคำว่ารูปรูปคือสิ่งที่ถูกรู้รูปที่หมายความว่าวัตถุนันคือมหาภูตรูปมหาภูตรูปคือดินน้าไฟลมข้างนอกซึ่งมันไม่เกี่ยวกับคนไม่เกี่ยวกับสัตว์ที่มีวิญญาณอยู่ในตัวร่างกายพราะยา ม, มุก ม, มหาภูตรูปก็ของมันที่มันไม่มีจิตวิญญาณทั้งหลาย สีดินน้าไฟลมองประกอบของดินน้าไฟลมผีชะานี่ก็ไม่มีวิญญาณผลหมากรากไม้ต้นไม้นี่ก็ไม่มีวิญญาณไม่มีนามธรรมาเป็นกายไม่ได้โอ้กายของฟักข้าวเขาไม่เรียกรกายของฟักข้าวใครเขาไม่เรียกกายของอะไรมานาโห อะไรนะอะมะม่วงหาวเหรอมันจะมะม่วงยังไงอย่างเงี้ยอะอก็ลงท้ายนะ้ำนาโโหแต่อันต้นอะไรมะม่วงมะม่วงห่าวานาวโหกายของมันลูกนี้เขาไม่พูดกายของกล้วยเขาก็ไม่พูดกายลูกกล้วยเขาไม่พูดภาษาไทยเรา ก็ด ok ีอยู่นะลึกซึ้งอยู่เหมือนกันว่าเออแม่อันนี้มันมีพลังงานทางชีวะนะพวกนี้มีพลังงานทางชีวะกายของดอกสามปีโบเฮลสามปีโบเฮลจะเถียงสิเถียง่ดงไงคนเหนือมาเถียงกับคนอีสานได้ไงก็พูดพูดภาษาอีสานนี่อ่าฮะ ภาษาภาคกลางเรียกว่าบานไม่รู้โรยแต่ว่าทางอีสานเขาเรียกดอกสามปีโบเฮียว ะ, ะทางเหนื อ, อเหนือเรียกดอกตะล่อมอ๋อดอกตะล่อมทางใต้เรียกดอกอะไรอะสมเดือนสั้นสั้นอะ คุณหญีมีหลายชื่ออีกคุณหญีมั่งละสามเดือนมั่งเอ๊ะทำไมมันสามเดือนละ่ะ อ, อีสานเอาตั้งสามปีทำไมใต้เอาแค่สามเดือนแล้วเลขสามเลยเอ๊ะทำไมสามเหมือนกันอ่าแล้วเอาเลขสเห ม, มือนกันแล้อีสานทเอาสามเดือนเองเอ่อีสานบอกสามปีโบเฮียวก็คือไม่ร่วงไม่โรยนั่นแหละโบเฮียรมันไม่เหี่ยวไม่แห้ง สามปีไม่เหี่ยวไม่แห้งนะพาคเนื้อเป็นมาจากไหนตะล่อม <c oughs> เรียกตะล่อมเออเอาดอกสามปีบองเหี่ยวมันเป็นชีวะตอนนี้นี่มันมันไม่เนียังออกออกมาไม่ได้ออกนี่ออกมาจากนี่มันถูกตัดออกมาจากชีวะแล้วนี่มีแต่เสื่อมชราตาอย่างเดียวเสื่อมแก่อย่างเดียวไปหาชราตาแล้วหมดชีวะแล้วหมดอุปจิจยะ ไม่มีการเกิดได้อีกสิ้นอุปชยะของชีวิตินซีนี่เรียกว่าสิ้นอุปชยะของชีวิตินรีแล้วอันนั้นยังมีชีวิตินรียังมีอุปชยะของชีวิตินรีภาษาที่อาจมาพูดนี่มาถึงสิ่งที่ถูกรู้ตากระทบแลรร้วก็รู้รู้ได้อยู่ในอุปาทายรูป24ดิดินน้ำไฟลมแท้ๆเนี่ย ไม่มีชีวะเข้าไปร่วมเลยคือมหาพุทธรูปทั้งสิน้นพอมาถึงอีก24รูปอุปาทายรูปมีนามมาทำ้าไปเกี่ยวเป็นแต่เพียงว่าตาหูจมูกลิ้นกายต้องมีประสาทแล้วก็ให้วิญญาณดินนามทำงาน แม้ประสาทมีคุณไม่ให้วิญญาณทํางานหรือวิญญาณคุณไม่ทํางานกับประสาทนั้นเกิดพฤติกรรมเรียกว่าโคเจระเกิดพฤติกรรมการสัมผัสแล้วก็พฤติกรรมของวิญญาณทํางานด้วยน้ตาไปกระทบดินน้ำไฟลมรูปเสียงกลิ่นรสพวกนี้เรียกว่าอยู่ข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส มากระทบแตะต่องพวกนี้เรียกว่าโพธพิภพห้าอย่างข้างนอกเนี่ฟังดีๆนะอาตมากำลังจะขยายความอย่างพิสดารในความเป็นกายกับนามมาทำถ้าเข้าใจจางนี้ไม่ชัดคุณแยกรูปแยกนามไม่ชัดแล้วมันพิจารณาธรรมะที่ลึกซึ้งละเอียดสุดจนกระทั่งถึงนิพพานไม่ได้หรอกนันคำว่ากายที่พุธเจ้าท่านสทับเอาไว้ว่าสัมผัสวิโมกแดด้วย กเนี่ยมันจึงลึกซึ้งมากแม้ผู้ติดกา ย, ยสักขีอัตมาอธิบายไปเมื่อกี้ไม่จบมีองค์ประชุมของนามารูปครบทวนเป็นสักขีพยานเป็นสิ่งที่เป็นพยานโยลักฐานพยานในใครก็ตามมีองค์ประชุมของสักคีพยานต่อให้คุณมีองค์ประชุมของสักขีพยานของจิตอาสวะบางอย่าง สิ้นอาคาวสิ้นกิเลสอาสวะบางอย่างได้มีกายสักคีแล้วก็ตามอย่างสายสัทธานุสารีสายสัทธาวิมุตต์แม้ถึงกายสักขีบุคคลสามชั้นเนี่ยสายเจโตหรือสายสาัทธาส่วนสายปัญญานะั้นท่านธรร ม, รรมานุสารีทิฏฐิป ต, ตะปัญญาวิมุตต์นะส่วนองค์รวมนั่นคืออุปโ ภ, ภคภพวิมุตต์บุคคลเจ็เนี่ย บุคคลเจอย่างเนี่ยมีสัทธานุสารีธรรมานุสารีสัทธาวิมุตติทิฏฐิปัตตะกายสกีปัญญาวิมุตติและก็อุปตัวภาควิมุตติอุปตัวภาควิมุตตินี่คือผู้บรรลุสูงสุดด้วยสองสภาพทันทีเป็นอรหันต์สมบูรณ์ครบส่วนปัญญาวิมุตติก็เป็นอรหันต์นับเป็นอรหันต์ได้เพราะอาสวะสิ้นหมดนะ ผู้ที่เป็นปัญญาวิมุตต์ในระดับสามของสายธรรมานุสารีทิทิปัะตะและก็ปัญญาวิมุตต์ผู้ที่ถึงปัญญาวิมุตต์เนี่ยถือว่าสมา ท, ทิิในการปฏิบัติธรรมความูุจจาเริ่มตั้งแต่ธรรมานุสารีมาเป็นทิฏฐิปัตะเข้าถึงด้วยทิสณีหรือทิฏฐิเพราะฉะนั้นปฏิบัติบรรลุปัตนปะนี่แปลว่าการบรรลุหรือการเข้าถึงธรรมเพราะถึงธรรม มีผลเป็นสมาธิพอไปถึงอีกขั้นหนึ่งปัญญาปีมุตก็หมดสิ้นกิเลสได้เป็นอาหารได้ส่วนสายเจโตนั้นไม่ค่อยจะตรงไม่ค่อยจะครบชอบเป็นนั่งหลับตาอยู่ในพวังชอบแล้วก็ไม่มีปัญญาคมครบเข้าใจไม่ค่อยได้มันเป็นธรรมชาติสายเจโตหรือสายศรัทธา คนในโลกนี่ท่านแบ่งเป็นสองสายสายเจโตกับสายปัญญาเมื่อกี้พอสายเจโตกับสายสต้าพูดผิดไปสตธากับเจโตอันเดียวกันแล้วก็สายปัญญามันเป็นลักษณะเจริตของแต่ละอัตภาพมันบังคับไม่ได้ตัวใครก็ตัวใครเพราะว่าใครจะไปฝึกเป็นมีปัญญามากหรือว่าเจโตหนักเป็นหนักทางเจโตก็แต่ละคนอ่า เพราะงั้นทางสายศรัทธาหรือเจโตเนี่ยเริ่มต้นในศรัทธานุสารีมายควม่ามหาสาระสาระของาศาสนาก็คือสาระของพุทธสาระพูดถึงสาระถึงสาร ะ, าระคือแก่นเนื้อคือเอเซนส์ของของแท้ของาศาสนาหรือหรือคอเอเซนส์หรือคอของของเนื้อแท้ของแก่นแท้ ของเนื้อของาศาสนาเลยนะส่วเรียก ว, ว่าวิมุตต์ก็ดีเรียก ว, ว่านี้พานนิโรธก็ตามนะแต่ท่านจะใช้คําว่าวิมุตต์เพร า, ว, าวิมุตต์นั้นมีปัญญาร่วมถ้านิโรธเนี่ยเป็นลักษณะของการดับนะเป็นลักษณะดับสิ้นไปหายไปไม่มีส่วนวิมุตต์นั้นมันหลุดพ้นจากอันนั้นไปแล้วขาดกันไปขาดจากอั น, นันต์แล้วนะอย่างนี้เป็นเป็น เป็นเนื้อหาสาระความหมายของสภาวธรรมอัตมาพยามอธิบายธรรมะเนี่ยเอาสภาวธรรมอธิบายขยายความในพยัญชนะต่างๆซึ่ง ท, ทุกวันนี้มันเพียนและมันสับสนกลับไปกลับมาจนกระทั่งอย่างกำลังพูดตอนนี้ถึงคำว่า ก, กา ย, ยไทยเรามาใช้จนกระทั่งคำว่า ก, กายกลายเป็นมหาพุตธรูปมันจึงสวย ในวงการศาสนาเมื่อเข้าใจอย่างนี้มิจฉาทิฐิแล้วม้วนเสือกลับบ้านได้ปฏิบัติจนตายอีกกี่ชาติถ้าเข้าใจอย่างนี้อยู่ไม่มีทางเป็นพระอารหันต์ได้อย่างเก่งก็แค่เป็นศรัทธาโอไม่ใช่เป็นสกายสกีอย่างเก่งก็แค่อาศวะบางอย่างดับสิ้นได้และอาศวะบางอย่างที่ดับสิ้นนั้นอาจจะฟื้นคืนด้วยไม่เป็น อสังกุปังไม่เป็นนิจจังไม่เป็นทุวังสตังอวิปริณามธทะมังอสังหฮรังอสังกุปังจะไม่สมเร็จเป็นอย่างนี้ด้วยจะไม่ท้าววอนเที่งเทืหรือเสถียรจะไม่จะไม่ยั่งยืนเพราะจะต้องครบบริบูรณ์จึงจะยั่งยืนนี่เป็นเงื่อนไขหลักเลยเพราะจะต้องมาลืมตา ปฏิบัติตามทฤษฎีของรู้จ่าให้ได้แม้คุณจะหลับตามาให้ตายยังไงคุณต้องมาพิสูจน์อันนี้จนเกิดญาณปัญญาเป็นสมบพัญญาสมบูรณ์แบบคุณจึงจะสามารถรู้ได้ครบนะที่เป็นงานศิลปะที่อาตมาเก็บหล่นได้งานศิลปะอาตมาไม่มีเหลือเลยในงานศิลปะที่อาตมาในชีวิตนี้อุตส่าห์เรียนศิลปะทําศิลปะมา ภาพนี้ก็ยังเก็บได้มาจากสมัยอาตมายังทำงานอยู่เป็นคราวาร่อาตมาก็ร่วมช่วยทำงานหนังสือคู่มือแม่บ้านในอยู่อาตมาดูแลทางด้านศิลปะเมื่อมันไม่มีอะไรที่จะมาลงเพราะจะต้องลงภาพเกี่ยวกับเรื่องของกออเกี่ยวกับคูแม่บ้านมันไม่คว้าอะไรไม่ได้อาตมาก็หยิบงานของตัวเองมาลงหน้าปกซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของแม่บ้านหรอก มันไม่ใช่เรื่องของแม่บ้านเลยแต่อาตมาเขาแย่งอาตมาไปได้เพราะอาตมาเป็นตัวทํางา น, น, นอาตมาเป็นตัวเจ้าหน้าที่ดูแลทางศิลปะพวกนี้อยู่ทั้งภายนอกภายในอาตมาดูแลหมดตั้งแต่หน้าปกถึงเนื้อใ น, นเพราะฉะนั้นอาตมาคว้าได้ไม่ทันก็หยิบงานตัวเองมาทําหน้าปกหนังสือก็เลยเหลืออยู่ได้ทําอยู่สองเล่มเรียกว่าเก่าแก่ค่ําคล้ามาก ก็เลยโมโหตกลงชีวิตนี้ของเรานี่มีงานที่เป็นจิตตกรรมอัตมาในจบจิตวิจิตศิลป์นนะจิตกรรมแท้เพนตะิงจบทางนั้นมาโดยตรงนี่เป็นงานเพนติงที่เหลือนี่ก็เพรแต่ว่ามันเป็นภาพเขาเรียกภาพองค์ประกอบศิลป์เป็นภาพคอมโพสิชันมันไม่ใช่ภาพเรลิสติกอันนี้ย่างผสมตั้งเป็นเรนลิสติกแต่ผสม ซึ่งชื่อจำไม่ได้อีกแล้วเมื่อวานอะไรหรือไม่แมนอีกแล้วจะสิ้นโลกแล้วหรือซึ่งอาตมาทําได้ยังไงก็ไม่รู้ตอนโน้นเขียนภาพนี้เนี่ยสีนี่มันจะเน่าแล้วนะแต่ยังไม่เน่าก็แสดงถึงความว่ามันจะ ไปไม่รอดแล้วถ้าหมายความถึงสัจธรรมก็หมายความว่าโลกนี้นี่มันจะเน่าเฟะมันจะเละเทะหมดแล้วแต่เกือบแล้วความแดงปัน่นปวนอยู่ท้องฟ้านะั้นแสดงถึงความวุ่นวายเดือดร้อนหมดเลยภาพนี้ลงในหนังสือนี้ปี 2,511 ที่มี11กันยายนใครรู้ไหม11กันยายนคืออะไรวันอะไรวันมหาวินาศเครื่องบิน ขับชนตึก World Trade ของที่อเมริกาเดือนเดียวกันเลยแต่ น, นี้เกิดก่อนเพราะมันออกต้นเดือนต้นปีหนึ่งหนึ่งออกมักราหนึ่งหนึ่งงานชิ้นนี้ค้างมาจนถึงเดียวนี้หรือจะสิ้นโลกแล้วหรือความหมายอะไรหลือกวางอยู่เบ็ดชีวิตอยู่สองตัวต้นหมกลากไม้พังหมด หญ้าก็เหลือเศษโมเมนตัมของความเขียวอยู่เท่านั้นก็พร้อมที่จะเน่าหญ้าทั้งหลายแหลพื้นภูมินี่คือความหมายของภาพศิลปะจิตกรรมชิ้นนี้นะซึ่งอาตมาก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าเป็นอะไรเช่นเดียวกันแม้แต่ภาพคอมโพสิชันอันนี้มีความหมายที่อาตมามาเกิน ซึ่งมันออกมาจากความลึกของจิตอาตมาไม่รู้ได้ว่าอาตมาทาออกมาได้อย่างไรแต่เดี๋ยวนี้อาตมาพบแล้วอาตมาอธิบายได้หมดฟังให้ดูดีนี่เป็นองค์ประกอบเรียกว่ากายองค์รวมหมายความว่าอย่างไรเป็นความหมายที่ซื่อเป็นความหมายที่ง่ายองค์รวมก็หมายความว่าทุกอย่างผสมไม่มีเส้นตรงเลยในภาพนี้ ไม่มีความโคง้งความคดเลยมีธรรมชาตินิดหน่อยจะมีความโค้งอยู่บ้างก็เนี่ยเป็นแต่ก็ยังเป็นมุมมมนี่ใบไม้นะสื่อความเป็นใบไม้ใบไม้ที่เป็นภาพเขียนของคนผู้รู้ทั้งนั้นเส้นแสงสีทั้งหลายแหล่นี้คือความรู้ของคนของธรรมชาติมีเท่านี้นี่เอาภาพถ่ายมาประกอบภาพนี้ ถ่ายมาจากของจริงต้นรือีนี่คือต้นรือใบฤือีแล้วเลือกเอาภาพประมายังจำได้ว่าเลือกเอาภาพที่ไม่ชัดเจตนาเลยนะเลือกเอาภาพที่ถ่ายใบรือีนี่ภาพที่ไหวไม่ชัดเอามาประกอบใส่ตรงนี้ ปิ n เอ็ s s ตสพลอยของภาพนี้เป็นจุดสำคัญของภาพนี้หมายความให้เห็นโลกนี้มันคือโลกมัวมนโลกไม่ชัดไม่กลงโลกอวิชชากรอบนี้คือโลกที่มันเป็นจริงอยู่บัดนี้คืออวิชชามันไม่มีความตรงมันไม่มีความอะไรมันไม่รู้ความมืดมันไม่รู้ความสว่างมันไม่รู้ความอะไรทั้งสิ้นเลย ความจริงแล้วมันต้องสดต้องชัดต้องคมนี่คือใบไม้ต้องมีระบบต้องมีระเบียบนี่มีแต่ความเละเทะปนเปหมดเลยมันไม่รู้จักระดับอะไรเลยความต่ําความสูงความบนความซ้อนมันไม่รู้เลยนี่แสดงความละเอียดของสภาพมลรอบเชิงซ้อนอยู่ตรงนี้นภาพควมโพสิชันอันนี้เนี่ยโอ้โหอัตมา รู้ว่างานของตนเองคืออันนี้แล้วก็มันมาพบไม่ได้นึกถึงเลยแล้วก็จำไม่ได้ด้วยตกลงในชีวิตนี้เหลืองานอยู่สองชิ้นนี้หนังสือนี้ได้มาจากโรงขยะเก็บมาจากโรงขยะเขาทิ้งมาคนก็เจอก็อุตส่าห์ไปเปิดดูยังไงไอ้คนเขาทำงานโรงขยะเขาไปเห็นบอก ภาพโดยรักรักพงอา้าวเขาเจอเนี่ยในนี้บันทึกไว้ว่าภาพโดยรักรักพงเขาเลยหอบมาให้อัตมาโททโทโทโ ท, โทมันวิ่นมันขาดมันจนกระทั่งอะไรหมดแล้วอะ่ะเหลือเท่านี้แหละโพที่รักเอ้ยน่ะก็เลยแกะภาพนี้ไปก็เอาไปถ่ายอุตส่าห์ถ่ายขึ้นมาก็ดูให้มันดีมันได้เท่าไรก็เท่านั้นแหละมันก็ ดูเขาก็มันไม่ได้ตกแต่งอะไรมากหรอกมันก็ยังพอดูได้คือภาพพอดีมันภาพพวกนี้มันพิมพ์ออฟเซ็ตแล้วถ้ามันเป็นสมัยเขาใช้บล็อกตะกัวมันก็คงไม่ได้เรื่องอันนี้ดูยังแบบออฟเซ็ตมันก็เลยได้สีสันมันก็ยังอยู่นะขออธิบายแบบนี้แถมเมื่อคืนนี้อธิบายแล้วโลกจะสิ้นหรือเนี่ยมันเหลือเหลือเท่านี้รูปกับนาม พวกนี้เป็นรูปหมดแล้วต้นหมากรากไม้ชีวะอะไรต่ออไรตายหมดแล้วเหลือแต่ต้นต่อตายหมดทุกต้นอตายหมดเหลือกวางว่าเวยอยู่สองตัวเท่านั้นหรือโรคจะสิ้นโลกแล้วหรือนะก็มันสื่ออะไรที่อาตมาก็ไม่รู้ละมันเป็นนิมิตมันเป็นสัญลักษณ์อะไรออกมา เพราะในองรวมทั้งหลายแหลที่เรียกว่ากายะในภาษาบาลีภาษาทางสัจทธรรมท่านเรียกว่ากายะสังขารท่านเรียกว่ากายะสังขารคือองรวมเพราะฉะนั้นในปฏิจจสมบาทผู้ที่อาวิชาเนี่ยจะไม่รู้จักสังขารเพราะฉะนั้นยาบที่สุดคือกายะสังขารเนี่ย ถ้าคนเข้าใจไม่ได้รู้ไม่เป็นสมาธิิก็คือคนนั้นอวิชาตลอดโลกแตกจะไม่สามารถรู้อะไรได้เลยเพราะในคําว่ากายนั้นคือองค์รวมของรูปและนามกายไม่ใช่รูปอย่างเดียวกายไม่ใช่รู ป, ปรูปกายจะเริ่มตั้งแต่รูปประกายมีคาว่ากายร่วมจึงจะคือกายถ้ารู ป, ปะรูป มันไม่ใช่กายเลยนะพระเจนาใวิโมกข์ 8, ข้อที่หนึ่งรูปีรูปานิปัสติหมายความว่าปัสติหมายความว่าเห็นคำว่าเห็นคำนี้หมายถึงนามธรรมาหมายถึงตัวบุคคลหรือสัตว์ที่มันจะสามารถเห็นอะไรได้ ไอ้พวกชีวะที่เป็นผีชะมันเห็นอะไรไม่ได้หรอกมันใช้สัมผัสเอาเนี่ยมันจะใช้สัมผัสเอาสัมผัสท้งข้างนอกเนี่ยอย่างต้นกล้วยไม้มันก็สัมผัสเอาดูดเอาตามจากอากาศส่วนพืชที่ลงดินมันก็ดูดอากาศข้างบนด้วยดับดาทั้งข้างบนนี่ด้วยรากมันก็พิจดูดเอาจากข้างล่างด้วยมันเอาทางสัมผัสที่จริง จิตวิญญาณก็เอาทางสัมผัสเหมือนกันพราะในองค์รวมของคำว่ากายสังขารก็คือสังขารอันที่หนึ่งมีสกายสังขารจิตสังขารวจีสังขารสังขารมีสาเพราะผู้ที่อวิชามีสังขารเป็นปัจจัยพอเริ่มอันแรกปัจจัยอันแรกเลยคือสังขารคุณก็ไม่รู้จักสังขารแล้วหรือรู้จักสังขารไม่สมาธิหมดเช่น คุณไม่รู้ว่าคําว่ากายหมายความอย่างสมาธิิสมบูรณ์อย่างไรไปเข้าใจว่ากายคือดินน้ำไฟลมคือมหาพุตธ ร, รูปเท่านั้นจบเหเลยจบแล้วตอนนีต้ตอนแล้วไม่ต้องพูดเรงจิตสังขารเลยเพราะกายะต้องมีจิตเพราะงี้คุณไม่รู้จักสังขารแล้วเพราะกายอันแรกคุณก็รู้ผิดแล้วกายไม่มีจิตแล้วเพราะงี้คุณจะไปรู้จิตได้ไง จะไปรู้วัจจีสังขารไดงไงเพราะวาจีสังขารก็คือจิตไม่ใช่วจีกรรมนะวัจีกรรมเนี่ยนะถ้าไม่มีจิตไม่มีหรอกคนตายแล้วไม่มีจิตแล้วพูดได้ไหมเอา้ามันจะมีวจีกรรมได้ไงถ้าไม่มีจิตเกิดวัจจีกรรมไม่ได้และวัจีกรรมมันออกมาข้างนอกเป็นกนกรรมารกระทําครบคันออกมาข้างนอก จึงจะเรียกว่าจีกรรมัมส่วนวจจิสังขารนั้นมันปรุงแต่งเป็นคําพูดอยู่ข้างในยังไม่ออกมาเป็นคําพูดแต่มันรู้แล้วเป็นคําพูดจกนกระทั่งเป็นอัตโนมัติจนคุณเองคุณไม่รู้ว่าคือคําพูดอะไรแต่สภาวัจริงคุณรู้แล้วทุกชาติคนทุกชาติพอสะพัดแล้วรู้ปับ๊บเอออันนี้คืออันนี้ถ้ามันจะแปลามาเป็นคำพูดฝรั่งคุณมีคําฝรั่งคุณก็ได้คําฝรั่ง คุณเป็นอังกฤษคุณก็ได้คําอังกฤษคุณฝรั่งเศสคุณก็ได้คําฝรั่งเศสคุณเป็นไทยคุณก็ได้คําไทยคุณได้เป็นคําเป็นคเคมินคุณก็ได้คำเขมินภาษาเคมรใช้คาว่าน้ำเขมรว่าไงก็คํานั้นอังกฤษว่าไงก็คํานั้นไทยว่าไงก็คํานั้นคุณมีคำไหนอะไรภาษาของคุณมาโดยทางของคุณภาษาพ่อภาษาแม่ของคุณที่คุณ เป็นตระกูลในชาติไหนมันก็ได้พรบคำนั้นและมันเกิดอยู่ข้างในจิตยังไม่ออกมาเป็นข้างนอกยังไม่เป็นวจีกรรมเพราะฉะนั้นคนจะรู้จักวจีสังขารต้องเป็นอริยบุคคล<ม>ฟังให้ดีนะกายสังขารกับจิตสังขารยังเข้าใจง่ายและคนยังไม่ถึงขั้นเป็นอริยบุคคลก็พอสัมผัสได้ แต่ถ้าคืนถึงขั้นวจีสังขารแล้วถ้าคุณไม่เป็นอริยะบุคคลสามารถพัฒนาจนกระทั่งคุณทำฌานเป็นมณสิการเป็นทำใจในใจเป็นถ้าคุณทำใจในใจของคุณไม่เป็นคือทำมณสิการคือจัดการสังขารนี่อภิสังขารจัดการกระจายของคุณเนี่ย มันเกิดดําเบลิกขึ้นมาอ่านมันจนกระั้งมันมีคามผสมเข้ามาอยู่ในนั้นปรุงแต่งรวมด้วยจับให้หยุดจับยังให้มันผสมแยกให้ออกแยกตัวกิเลสให้ออกได้วิจัยออกมาให้ได้จับอาการของกิเลสในจิตของเรานีได้แล้วคุณก็กำจัดมันชำระมันกำจัดมันได้หมดก็จึงจะตกผลผลึกลงเป็นสมาธิ อปปนาพยปนาเจตโสเปนิโรปนาก็จะผ่านอีกสามด่านช่วยช่วยสร้างสร้างในเชิงตั้งมัน่นสร้างในเชิงแข็งแรงสร้างในเชิงเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าเอกกคตานะยิ่ง ข, งขปปงึ้นยิ่งขึ้นอัปปนากระดับหนึ่งพยปนาเจริญยิ่งขึ้น เจตโสภณิโรปนาก็เจริญสูงสุดเมื่อผ่านสามดานนี้ก็คือผ่านกรันกรองมาเสร็จจึงมาเป็นวจีสังขารนี่คือคกลไกกลยุทธของการทำใจในใจอภิสังขารก็ได้เรียกว่ามโนมณสิกโรติมณสิกานหรือมนณสิกโรติมรณสิกโรติเป็นคำกริยา มนสิกาเป็นคำนามก็ได้ก็จะเกิดสำเร็จผลเพราะงั้นผู้ที่ปฏิบัติอันนี้ได้สำเร็จมณสิการหรือทำใจในใจเป็นอัตมาใช้ภาษาไทยว่างั้นมณสิกาในใจไปหรืออภิสังขารเป็นปุญญาภิสังขารจนกระทั่งจบจะเรียกว่าเป็นตัวจบเป็นตัวอุดออออสมุติเฉดของรอบหนึ่ง มาถึงวจีสังขารเนี่ยเป็นสมุดเฉดรอบหนึ่งเป็นการปฏิบัติการประหารขั้นที่สเมื่อได้แล้วออกไปก็ค่อยๆทําเพิ่มเป็นปฏิปฏิสัทธิไปตามลําดับอีกผู้ที่จะรู้จักสภาวะของวศศงจี ar, สังขารจึงต้องผ่านการอภิสังขารเป็นหรือมณสิการมณสิกโรติเป็นทําเป็นทําสําเร็จทําได้ผล ไม่เช่นั้นคุณจะไม่รู้จักวจีสังขารนี้ในสภาวะเป็นการปรุงแต่งของอภิสังขารหรือเป็นการปรุงแต่งของมณสิการเป็นสภาพองค์รวมเพราะฉะนั้นวิสาขาวิสาขาอุบาสกถามธรรมนันทาภิกษุณี ที่เป็นอรหันต์ที่เป็นเอกตตะทคะทางปัญญาฉลาดเป็นเอกตตะทคะทางปัญญาเป็นภิกษุณีเป็นพระอรหันตภิกษุณีอธิบายรายละเอียดอันนี้จะคําถามของเป็นเป็นสามีเก่าวิสาขาอุบาสกเนี่ยชื่อวิสาขาไม่ใช่วิสาขานะวิสาขาอุบาสกถาม ถามภิกษุณีธรรมนันทาวา่าเอ้ธรรมทินนาเข า, เาไปาธรรมทินน า, าธรรมทินนาภิกษุณีถามว่าเวลาธรำนิโรดน่ะสำเร็จคือดับกิเลสได้สําเร็จเนี่ยนิโรธสรําเร็จสังขารอะไรดับก่อนกายสังขารจิตสังขารวจีสังขารขาถามว่าสังขารอะไรดับ เพราะฉะนั้นผู้ที่จะทํานิโรธสําเร็จนี่สิ่งที่ดับก่อนคือวจีสังขารนั่นคือผลสําเร็จของวจีนี่เป็นตัวองค์จบของนิโรธธรรมนสิการหรืออภิสังขารในสําเร็จเพราะเมื่อสําเร็จผลวจีสังขารนิโรธคือผ่านกระบวนการของการเรียนรู้เบื้องปัญญา คือต ก, กะวิต ก, กะเริ่มดำริจิตจิตก็ต้องมีธรรมวิจัยสัมโพธชงวิจัยออกให้ได้เลยว่านี้กิเลสนี่คือการประหารแล้วก็ได้กระทำการประหารประหารแล้วกิเลสมดกิเลสลดผ่านมาดานอัปปนาพยาปปนาเจตโสพิโรปนาเสร็จเมื่อกี้อธิบายแล้วมาถึงวิจิสังขารจบนะดับนะนิโรธแน่นะ นี่คือวจีสังขารดับก่อนและเอาอะไรดับต่อมากายสังขารก็คือองค์รวมจิตสังขารจึงเป็นตัวสุดท้ายที่เรียกว่าได้รับผลของนิโรธแล้วก็ถามอีกว่าเมื่อเวลาออกจากนิโรธคือวิสาขาดยังเป็นภู้มิชาทิ่ยังเป็นเชิงเทวนิยมยังเป็นเชิงโลกียอยู่ ยังไม่โลกุตรสมาธิทิ้เดียวก็ยังถามนิโรว่ายังต้องออกต้องเข้าอยู่ที่จริงมันจบไปแล้วนะมันไม่ต้องออกต้องเข้าแล้วแต่ผู้ที่ยังมันยังไม่สมบูรณ์เนี่ยมันความรู้มันยังไม่มันไม่มันยังไม่สมันไม่สมบูรณ์นั่นแหละมันก็ต้องถามไปเหมือนคนเฉยๆมันก็จะรู้มันเหมือนเด็กๆก็ไปถามมันยังแต่ท่านธรรมทินนาก็ยังตอบ เขาถามว่าถ้าออกจากนิโรธแล้วอะไรเกิดก่อนอะไรดับก่อนจะนิโรธอะไรดับก่อนวิจีสังขารดับก่อนแล้วก็ค่อยกายสังขารแล้วก็ค่อยวจิตสังขารส่วนออกจากนิโรธล่ะอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดก่อนสังขารใดเกิดก่อนจิตสังขารเกิดก่อนกายสังขารแล้วก็ค่อยวิจีสังขารอย่างนี้เ uh. ป you know ็นต้นมันก็ต้องรู้สภาวะว่า ไอ้เกิดนี่มันคืออะไรคือคนจบนิโรธแล้วนี่เป็นยังไงจิตก็เป็นตัวรู้ทั้งหมดจิตคือธาตรู้องค์รวมตัวจิตตัวธาตรู้กายคือรวมทั้งตัววัตถุด้วยก็รองมาแล้วจึงจะมาเป็นวัจจสังคานเตรียมพร้อมที่จะออกเป็นวจีจรกมเกิดทีหลังเพื่อนเห็นไหม รายละเอียดเหล่านี้ถ้าคนที่จะเดาอตตกาวะจะราไม่มีทางเดาได้ขาดคะเนเอาไม่ได้เดาไม่ได้สภาวะอย่างนี้และคนที่ตอบได้จะต้องคันธรรมทินนาภิกษุณีอเอกรตาตตกาหรือพระตุผุชลาขนาดถึงปรมัติละเอียดถึงระดับนี่เป็นการเห็นความเกิดความดับของจิตวิญญาณหรือกายวิญญาณ องประชุมของวิญญาณทั้งหมดซึ่งต้องรู้ชัดในหมวดของเวทนาหมวดของสัญญาหมวดของสังขารซึ่งเป็นหมวดของกายกายนี่คือหมวดของเจตสิกสานี่กายไม่ใช่มหาพุทธรูปเลยกายนี่คือกลุ่มของเวทนากลุ่มของสัญญากลุ่มของสังขาร ยังดีนะในพจนานุกรมบาลีไทยเขายังแปลว่าอย่างนี้อยู่เป็นหลักฐานในอาตม า, ามัยืนยันกับเขาได้เขาแปลกันเองนะอาตมาไม่ได้ไปเขณฑคนแปลไว้สรุปและกายจึงแปลว่าจิตหรือเจตสิกแต่คนไทยซวยมากไปแปลกายว่าร่างภายนอกหมดเพราะฉะนั้นาศาสนาพุทธจึงไรแก่นสาร เลยไม่รู้เรื่องเลยอ่าาทีนี้ขอขยายความคำว่า ก, กายให้ฟังอีกนิดหนึ่งว่าถ้าเมื่อเข้าใจคำว่า ก, กายไม่ได้ก็จึงเข้าใจอวิชชาแล้วก็มีสังขารเป็นปัจจัยตัวเชื่อมต่อลงมาเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ตัวแรกอวิชชาก็ต้องเริ่มรู้สังขารก่อนแล้วจะค่อยมารู้วิญญาณแล้วก็มารู้นามรูปเพราะสังขารคือการร่วมรู้เป็นธาตุรู้ปรนอยู่กับ มหาภูตรูปกับนามธรรมากับจิตเจตสิกทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าจะมาเอาเฉพาะวิญญาณซึ่งเป็นนามไม่เกี่ยวกับมหาภูตรูปก็จึงเป็นระดับที่สามอาวิชชาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นพืจะรู้จักวิญญาณก็ต้องมี ญ, ญาณปัญญาเรียนรู้ว่าต้องเข้าใจว่านามรูปคืออะไร นามรูปคือธาตรู้อันหนึง่งรูปทั้งหมดอีกอันหนึง่งธาตรู้อันหนึ่งก็คือนามทั้งหมดแน่นอนที่ถูกสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดอีกอันหนึง่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้ทั้งหมดคือรูป28ตั้งแต่มหาปุถรูปสี่ แล้วอุปาทายรูปอีก24คือสิ่งที่ถูกรู้โดยนามนามมีอะไรบ้างนามพุทธเจ้าก็ตัดไว้ชัดเลยในปฏิจจสมุปาในแยกให้ฟังนี้เป็นภาคนิพพังนิพังหมายคำ ว, ว่าแยกแยกไว้ให้ฟังแยกไว้ให้ชัดเลยว่านามคือหนึ่งเวทนาสองสัญญา 3เจตนาสพัสสะหมณสิการนี่คือความเป็นนามส่วนความเป็นรูปละ่ะขออภัยนผู้ที่ไม่มีพื้นฐานวันนี้ฟังอาจจะยากหน่อยแต่จตมาเจตนาเจตนาให้สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานพวกเราเนี่ยให้มาฟังธรรมสบังแล้วก็ฟังดีๆพระเจ้ามุ่มุพื้นฐานตั้งใจฟังด้วยดี จะเกิดปัญญาใครเกิดปัญญาแล้วก็เจริญแน่เพราะปัญญาเป็นภาษาโลกุตระแต่เขาเอาไปใช้เป็นโลกิยะหมดปัญญาก็สวยไปคำหนึ่งเหมือนกันนอกจากคำว่ากายหรือคำว่าปุณณ์มีเยอะคำภาษาธรรมมของพระเจ้าที่มากลายเป็นเป็นภาษาไทยแล้วมันเพี้ยนความหมายไปมันก็เลยไม่ได้ธรรมะกันไม่บรรลุธรรมะเพราะพยัญชนะคนมันสำคัญผิดแล้วเข้าใจผิดนะ เพราะฉะนั้นพระพุทธจ้าท่านบอกว่านามมีชะไหนใ น, ในพะระไตรวิฎลเล่ม16กข้อสิเนี่ยนามมารูปเป็นชนะไหนนามมารูปนามได้แก่เวทนาสัญญาเจตนาผัดสะมนสิการผัดสะนี่แหละคือตัวกลางของข้างนอกและข้างในท่านจัดผัดสะว่าเป็นนาม ทีนี้ถ้าผัดสะมันมทั้งนอกและในมันก็ต้องเป็นองค์ประชุมของทั้งภายนอกและทั้งในใช่ไหมผัดสะจึงเท่ากับคําว่า ก, กายผัดสะแต่คําว่า ก, กายผัดสะนั้นภาษาบาลีอีกคํานึงก็คือพุทสติหรือโพธิภะผัดสะก็คือต้องมีนอกและมีข้างในไม่ใช่มีนอกมีในของ นักการเมืองนะจ๊ะขอไปเนบนิดหนึ่งใช้ภาษาไทยเนบใครไม่เข้าใจแล้วไปเด็กๆไม่เข้าใจแล้วไปผู้ใหญ่ที่รู้แล้วว่าอัตมาเนบอะไรก็รับฟังแล้วกันมีนอกมีในนี่ไม่ได้หมายความว่าพฤติกรรมเลวของใครคนใดคนหนึ่งนะนะคือมันมีทั้งภายนอกและภายในพร้อมพัสสะแยกไม่ได้ท่านจัด ทั้งมีภายนอกและภายในด้วยเป็นนามนะเอาที่นี้มหารูปรูปมีมหาพูทธรูปกับอุปาทายรูปเนี่ยในอันนี้ท่านแปลไว้ชัดเลยแต่ท่านมาแปลเป็นไทยอุปาทายรูปท่านไม่ไม่ทับศัพท์แต่มหาพูทธรูปสี่ท่านทับศัพท์ท่านบอกว่ารูปคืออะไรรูปคือมหาพูทธรูปสีและรูปที่อาศัยมหาพูทธรูปสี่ซอน หนึ่งมหาพูทธรูปสี่สองและรูปที่อาศัยมหาพูทธรูปสี่คำว่ารูปที่อาศัยมหาพูทธรูปสี่แปลมาจากคาว่าอุปาทายรูปในบาลีมีเท่านั้นแต่มาแปลเป็นไทยว่ารูปที่อาศัยมหาพูทธรูปสี่นี้เรียกว่ารูปรูปคือสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ปาษาทารูป ห้ามีตาหูจมูกลิ้นกายองค์ประชุมฟังให้นี้นะก า, กายนี่มันกึงก่งๆนะมีทั้งนามและรูปนะอย่าหลงผิดว่ามีแต่รูปข้างนอกรูป ร, รูปไม่ใช่นะกายนี่กึ่งนะเมื่อมีอันนี้คนที่ประสาทใช้งานได้ประสาทเสียใช้ไม่ได้มีประสาทแต่ไม่ให้ประสาททำงาน ตาคุณเบิงมองเนี่ถ้าคุณจิตไม่ร่วมเลยไม่ร่วมรับรู้ตาเบิงตรงคุณก็ไม่เห็นอะไรใช่ไหมอ่ต้องมีประสาทประสาททรูปเมื่อประสาททรูปทํางานสัมผัสรูปข้างนอกรู้เสียงข้างนอกกลิ่นข้างนอกรสแตะที่ลิ้นข้างนอกทุกอย่างเรียกว่ากายหมดตาก็กายจมูกก็กายลิ้นก็กายทุกอย่างเรียกว่ากายหมดข้างนอก รวมเป็นหนึ่งอีกเหมือนกันเพราะยังกาันี้ก็เลยกึงกึงอีกเหมือนกันคำว่าโภภพธะพระนี่กึ่งึเหมือนกันเพราะตกลงเวลาทำงานของโคจรรูปหรือวิสัยรูปคือร่วมกันทำงานของประสาทโคเจรคือมีประสาทของวิญญาณทำงานร่วมกับข้างนอกสัมผัสกันทางานขึ้นมาเกิดภาวะรูปเกิดสิ่งปรากฏขึ้น ภาวะรูป2เริ่มจากปาษาทรูปกับโคจรรูปห้านี่แหละจึงจะเกิดกรรมกริยาของการศึกษากายคตาสติหรือกายคตะการดำเนินการของการดำเนินไปขององค์ประชุมกายคตอะอาตมาว่าการเลคเชอร์วันนี้ครั้งนี้เนี่ย ในระดับของปริญญาเอกก็ขออภัยสาหรับผู้ที่อยู่ในระดับเรียนชั้นจัตวาหรือชั้นตรีชั้นโทอันนี้มันระดับปริญญาเอกต้อนงะขออภัยต่อผู้ที่ยังอยู่ระดับชั้นจัตวาหรือชั้นสบสิบตรีสิบโทสิบเอกยังไม่ขึ้นถึงชั้นจัตวา แต่ก่อนนี้เขามีพลในพลจัตวานอะแต่ก่อนนี้สมัยก่อนมีนายพลจัตวาว่าครึ่งๆมันยังไม่ถึงพลตรีมันมีอย่างนั้นพลเอกชาติชายเนี่ยจอมพลไม่ได้เป็นจอมพลเรเป็นพลเอกชาติชายเนี่ยเป็นพลจัตวารุ่นสุดท้ายนายพลพลจัตวา <c oughs> อ้าว <c oughs> มันหนักแวะนิดหนึ่งเบาๆต่อมา จากภาษาทรูปกับโครจ ร, รูปนี่แหละจึงเกิดกรรมกิริยาการศึกษากายคตาสติแล้วกายคตาสติเนี่ยก็ไปอธิบายกันผิดก่าวน้อมยางน้อมจริงท่านอธิบายเรื่องกายนะเรื่องกายคตาสติหรือว่าเรื่องมหาสติปัทานเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องกายคตาสตินี่แหละตรงนี้ ท่านก็ให้บอกว่าอิรียบทาก้าวอย่างเดินสัมผัสเอี่ยวแขนก้อย้าอุจจระปัสสาวะเขี้ยวคลื่นอะไรทุกอย่างสรุปแล้วก็คือทุกกรรมกิริยาของมนุษย์แล้วท่านเองท่านไม่ได้บอกว่าให้ดูที่ไอการกิริยาเท่านั้นท่านบอกดูจากทุกกิริยาทั้งหมดนี่แหละที่มันเกิดคตักคตังดาเนินเกิดขึ้นเนี่ย หรือเป็นวิสัยของกิริยามนุษย์เนี่ยสัตว์โลกเมื่อเกิดกรรมกิริยานั้นขึ้นคุณก็จะต้องมีสติกายขตาสติแล้วรู้ว่าองค์ประชุมนี้เรียกว่ากายที่มาดำเนินขึ้นมาเนี่ยมันเนื่องมหาจิตเพราะคุณต้องศึกษาจิตธรรมะของรพุทธเจ้าต้องศึกษาจิตเจตสิก แม่เกิดอาการก้าวอาการอย่างอะไรก็เกิดไม่ใช่ไปบอกอย่างเนาะก้าวเนาะแล้วก็รู้ว่าก้าวรู้ว่าย่างแล้วไม่อธิบายก็มาหาแล้วจิตอยู่ยังไงแหละรู้จ้ะมันก็ได้สมถะอย่างเดียวได้จิตนิ่งกันนั้นเป็นกษินอย่างเดียวไม่เกิดวิปัสนาแต่ก็ไปอธิบายอาจารย์ก็อธิบายว่านี่แหละคือวิปัสนารู้มีสติรู้พอก้าวนี่ตรงนี้แตะแล้วนะตรงนี้ปลายเท้าแตะนะอ้าเอาเอาท้าลงนะ ตอนนี้สัมผัสลงแล้วกลางเท้าสัมผัสเอาส้นเท้าสัมผัสน ะ, ะยกส้นเท้ายกอนอขึ้นมากลางขึ้นนอปลายเท้ายกนออ ะ, อะไรเงี้ยก็รู้คือวิธีกระสินวิธีใช้จิตจดจอ่อเป็นการสึกกดจิตอยู่ได้ผลทางสมถะอธิบายวิปัสนาหรืออธิบายความรู้ที่รู้ร่วมจากข้างนอกมาหาข้างใน ซึ่งเป็นวิโมกทั้งหมดเนี่ยเป็นวิโมกข้อสองนะอัจฉต่างอรูปสัญญีเอโกหรือบางอันก็บางพัตตปิฎกบางหมวดบางบางสูตรมันไม่มีคําว่าเอโกบางสูตรมัน ม, มีคําว่าเอโกวิโมกของในแต่ละสูตรในพัตตปิฎกมันมีหลายสูตรบางสูตรมไม่มีคําว่าเอโกบางสูตรมีคําว่าเอโกนะเอโกพหิธารูปานิปัสติต้องเห็นด้วยการสัมผัส ทิ้งสัมผัสไม่ได้น่แล้วก็เป็นองค์ประชุมทั้งหมดเพราะงั้นเมื่อพูดใดปฏิบัติยังไม่สมบูรณ์ในสมาธิิมันจึงค้างตึงแล้วไม่ทะลุโดยเฉพาะข้ามาถึงจิตไม่เลยตกลงกายข้าตาสติคุณไปเอาแต่อิริยบทนอกทั้งหมดเลยไม่เดินก็าหานามมาทำเลยการศึกษา จะเรียกว่าสมาธิจะเรียกว่าวิปัสนาจะเรียกว่า ร, รมฌานอะไรก็แล้วแต่ค้างอยู่แค่เนี้กายมันสั้นด่วนมันกุดอยู่แค่นี้ก า, กายกายกัตาสติก็อานาปานาสติไม่ได้แยกกันเลยไม่ว่าในมหาสติประธานสูตรไม่ว่าจะกายกัตาสติสูตรไม่ว่าจะอาณาปานาสติสูตรไม่ได้ทิ้งเลยแต่ท่านยอ่อถ้าจะเน้นอาณาบานสติแต่ก็ยอ่อ กายขตาสติไว้น้อยจะอธิบายกายขตาสติเขาย่ออาณาปานาสติไว้น้อยสันส้นๆเท่านั้นเองแต่มันแยกกันไม่ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นการจะก้าวจะย่างจะอยู่วแขนไกวขาไม่รียบทข้างนอกมันก็ต้องมีอาณาปานาสติมีการเรียนรู้ทางใจในใจด้วยเรียนและเป็นสําคัญด้วยเพราะฉะนั้นแม่แต่อาณาปานาสติท่าก็ยังยืนยันว่า คุณก็ไปยืนอยู่ผวังแล้วนะข้างในแล้วนะตาคุณก็หลับจมูกคุณก็หายใจอยู่เท่านั้นลิ้นคุณก็หุบปากแล้วดีไม่ดีไอ้สัมผัสข้างนอกอะไรมากระทบสัมผัสลมมาถูกเนื้อร่างกายคุณก็ไม่รู้รู้แล้วแต่คุณก็จงมนอันใดอันหนึ่งคุณจะมารับรู้อยู่ที่ลมจะทิ้งลมนะลมยังคือกายสังขารคุณอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นการกาชับว่าจะทิ้งอันนี้แต่ ผู้ที่ไม่รู้พอผู้ไม่รู้พอก็ไม่เข้าใจว่าคำว่ากายมีความหมายองรวมทั้งสิ้นทั้งหมดจะต้องศึกษาความเป็นกายที่มีทั้งนอกและในนะสรุปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมแล้วกายก็าตาสติก็ต้องมีการรู้รู้อะไรรู้กายะสังขารเพราะฉะนั้นในคําอธิบายของ อาณาปานาสติจึงอธิบายละเอียดไปถึงจิตทั้งหมดถึงสังขารทั้งหมดแล้วก็ทำให้สงบระ ง, งับปัดซัำพยังจะ ก, กายสังขารางหรือจิตสังขารกายสังขารก็ปัดซ้ำพยังความหมายก็คือทาให้มันระ ง, งับให้มันดับให้มันสงบสงบอะไรก็ฆ่าเหตุสมุทยัยตามอริยสัจ4ี เพราะคําว่ากายปัดซ้ำพยังหรือกายปัดสติปัดสัธิแปลว่ากาย ส, สงบทําให้สงบระ ง, งับความเป็นกายหรือกายปัดสัธิแปลว่ากาย ส, ถถสถถงบเมื่อเข้าใจคําว่ากายเพี้ยนไม่เข้าใจว่ากายคือความหมายของนามธรรมนะไม่ใช่ความหมายของร่างนะพอเข้าใจเพี้ยนว่ากายปัสสธิ <Music> <Rogue> ก็เลยหมายถึงว่าคุณต้องหยุดแล้วต้องนั่งอยู่อย่างเดียวและคุณก็ต้องแข็งทื่ออ้าวเราสําเร็จกายปสัสสถิแล้วคือกายแข็งทื่อมันก็ไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์สิมันก็ไม่ถูกต้องตามสัจธรรมกายปสัสสถิหมายความว่าจิตนั้นสงบกายปสัสสถิปแปล ว, ว่าจิตสงบตะโกนเลย ให้ขี้หูหลุดทำไมมันหนานักมันปึกมันมีก้อนขี้หูกันหูไว้ก็ให้หูทะลุทะลวงกายก็แปลกายปัจเสปัจสัตสติแปลว่าจิตนั้นสงบจากกิเลสทําให้ปัจซ้ำพยังทําให้มันสงบระ ง, งับลงไประ ง, งับด้วยการละเหตุของความไม่สงบเหตุของความไม่สงบคือสมุทยัยที่เป็น ทุกขอริยทุกสมุ ท, ทุกทุกขสมุดทไทยก็คือตัวกิเลสตัณหาอุปาทานแต่ตัวสําคัญก็คือธรรมตัณหาตัวกลางของกิเลสและอุปาทานกิเลสองร์รวมเป็นภาษาของรรณาส่วนตัณหาหนั้นคือพระพนาคือตัวเป็นตัณหาคุณต้องอ่านรู้ตัณหาให้ได้ในปฏิสูรบาก็ต้องรู้เวทนาตัณหา ต้องอ่านตัวนี้พฤติกรรมของอาการตัณหามันอยู่ในเวทนาหรือมันคือเจตสิกมันคือจิตเจตสิก เ, เช่นสาราะนะละตัณหาสะทะก็ตัณหาอยากฆ่าเองเหลือเกินแน่นั่นคือโทสัโทสะโทสมูลคือตัณหาอยากทำร้ายเขา ก็คือโทสะมูลตัณหาตัณหาไม่ได้หมายความว่าอยากได้มากินมาใช้มาอร่อยอย่างเดียวไม่ใช่อยากทําลายเขาก็ตัณหาเป็นโทสะมูลนะเมื่ออ่านรู้ตัวสมุทัยตัวตัณหาได้ก็กําจัดตัวนี้เมื่อกําจัดตัวนี้ได้สงบระงับปัดสัมพยังถึงขั้นสงบปัดสัตติเป็นกายปัดสัทธิ ก็คือสงบแล้วตอนนี้เราไม่ทำแล้วกายกรรมวจิกรรมแม้แต่มโนเราก็สิ้นเชื้อของตัวที่จะเป็นเหตุไปทำร้ายไปทำพฤติกรรมอะไรอีกในกายวาจาใจมันไม่ทำอีกแล้วเด็ดขาดด้วยแต่นิจังตัวังสัสตังวิปรินามะธรรมังสังหารังสังกุ ป, ปังนี่คือความสมบูรณ์ความจบของผู้คนนั้นจึงสงบ แต่ไม่ได้หมายความว่ากายกรรมหรือว่าการลีลาทาทีลีลานักกีตว่าทิตะยังไม่เกิดเกิดหมดแต่ไม่มีตัวนี้เข้าร่วมเรียกว่าอะไรอะไรสังขาริกังไม่มีตัวนี้เข้าไปร่วมไม่มีกิเลสตัวนี้เข้าไปร่วมปรุงทำงานด้วยเลยสังขาริกังไม่มีตัวนำพาให้มันเกิดพฤติกรรมใดสังขาริกัง นี่เป็นเจตสิกแล้วเป็นหมดจิตเจตสิกอสังคาริกังจิตตังไม่มีตัวร่วมไ ม, ไม่ตัวนำนำให้เกิดตัวนี้อะไรนำให้เกิดอะไรก็เกิดความชั่วเกิดทุจริตเกิดอกุศลมันไม่มีแล้วตัวเชื้อเหตุที่จะทาให้เกิดอกุศลมันไม่มีแล้วมันไม่เกิดในจิตเราอีกแล้วอสังคาริกังไม่มีตัวนี้แล้ว นี่เป็นเรื่องของจิตอสังขาริเป็นตัวเหตุไม่มีแล้วอย่างนี้เป็นต้นมันก็สงบเพราะงั้นเข้าใจคําว่าสงบเท่านั้นก็เพียงแล้วสงบคือการอยู่นิ่งๆลมไม่พัดไม่กระดุกกระดิกสงบคือการเงียบๆนิ่งๆจบๆเป็นความหมายหยาบๆข้างนอกเท่านั้น เพราะนความหมายของปรมัตต์หมายความว่าสงบจากกิเลสอาสวะแม้กิเลสในระดับอาสวะก็ไม่มีเลยนี่เรียกว่าสงบส่วนจิตจะปรุงแต่งไหมโอ้ อ, อภิสังขารเลยปรุงแต่งได้เป็นเอกเลยปรุงแต่งได้อย่างมีจิตมีปัญญาเป็นตัวกากับควบคุม พระเจ้นองค์ประชุมในการจัดการปรุงแต่งทําอะไรออกมาที่ปราศจากกิเลสปราศจากตะนาปราศจากทุลีละอองพวกนี้จึงเป็นการปรุงแต่งของพระอาหารหันต์ไม่อรหรันตาคุณสามารถทําได้ครั้งใดครั้งนั้นไม่มีเศษกิเลสเข้าไปร่วมด้วยเป็นไปได้โดยโด ย, โดยแม่ไม่รู้ตัวดีไม่ดีมีกุศลเจตุล่วมด้วยในการปรุงแต่ง ไม่เสียหลายเลยกุศลจิตปรุงแต่งร่วมด้วย ม, ม, มันไม่ได้เสียหายอะไรประเสริฐด้วยซ้ำไปดังนี้เป็นต้นนะเพราะในรายละเอียดลึกซึ้งพวกนี้นี่อาตมาขออภาาัยขอคุยตัวฉลองวันฉลองเขาฉลองให้80ดสิปีก็ขอคุยตัวให้ฟังหน่อยไม่ได้อยากอวดนะบอกไม่เชื่อเขาไม่เป็นไรไม่ได้อยากอวดหรอกแต่พูดความจริงให้ฟัง ผู้คำยังให้ฟังว่าเพื่อคนที่ไม่เพ่งโทษอาตมาอยู่ก็จะฟังแล้วจะเข้าใจชัดส่วนคนเพ่งโทษอาตมาอยู่ก็ขออภัยที่ไปกระทบน้ำใจคุณเพราะคุณเพ่งโทษอยู่ก็ต้องขอโทษคนณพระจคนเขาแน่ที่อาตมาจะพูดว่าอาตมามาทำงาน หรือฟื้นาศาสนาพุทธข้ออภัยที่มันพูดใหญ่พูดใหญ่ไปไม่หน่อยละมากเลยขออภัยที่พูดใหญ่ไปมากไม่ใช่พูดใหญ่ไปหน่อยนะพูดใหญ่ไปมากยังรู้สึกว่ามันมากจริงๆว่ามันควรพูดหรอกมันไม่ควรพู ด, พดแต่ลึกๆอาตมาเห็นควรพูดแล้ว มันไม่ใช่ไปพูดทําเพลืออะไรอาตมาพูดการเทศะที่จะพูดเนี่ยแล้วก็ตัดสินใจนะนที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าจะพูดอยากจะพูดเลยไม่ได้อยากจะพูดเลยนี่เป็นความจริงไม่ได้อยากจะพูดแล้วเพราะไม่ได้คิดอยากจะอดก็อดอะไรเพราะทุกวันนี้ก็เมื่อยพอเล ย, ยแล้วใครนึกว่าอาตมาทํางานไม่เมื่อยโอ้โหทุกวันนี้เรายังไม่รู้จะไปหาเวลาที่ไหนมาเพิ่มวันหนึ่งมีแค่ยีบี่ชั่วโมง ยากได้เติมสัก5้านาที10นาทีก็ไม่ได้ไปหาซื้อตำล่างขยะก็ไม่มีขายเวลาโอ้พารากอนก็ไม่มีขายที่ไหนมันกำลังฮิตกว่าพารากอนตอนเนี้ยล่าสุดออไอเรื่องยานเจริญโอ้โห อ, อ, อ, อัตมาเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยยานเจริญตอนแรกที่สุดยุคอัตมาเข้ามากรุงเทพใหม่สามแยกะอะยัง อโอเดียนนั่นแหละสามแยกโอเดียนนั่นแหละสามแยกนันอายุ ก, กัตมาเข้ามาในกรุงเทพตอนแรกไม่รู้นะก่อนนั้นกั ต, ะตะมาไม่รู้ว่ะกัตมาเข้ามาสามแยกโอเดียนแล้วก็เชื่อมหายาวราชเท่านั้นแหละเจดชั้นเก้าชั้นโอโ้ โ, อโหเจริญที่สุดเป็นย่านสังคมยุคสังคมเจริญธุรกิจพาณิชย์อะไรตระเวนุ่นอยู่ตรงนั้นน่ะไอเรื่องอบายมุขทั้งหลายแหลดทุนนันโมด อบายมุกตออะไรอย่างเ้ความเจริญอยู่ที่ไหนอบายยมุกอยู่ที่นั่นจาไว้ความเจริญอยู่ที่ไหนอบายยมุกอยู่ที่นั่นจำไว้นี่แหละโลกโลกก็เป็นอย่างเ้จากสามแยกเลื่อนมาวังบราาูรพาโอ้โหขึ้นใหญ่เลยโล่โรงหนังขึ้นไปแตก่ก่อนนี้มันมีโรงหนังอะโรงหนังอะไรสีไอโรงหนังที่สามแยกอะเชลเบรบุรีเชลเกรุงเชลเบบุรี าาชาลบุรีเก่าแก่กว่ า, าจากชาลบุรีมาโหเฟื่องฟูที่มาลงทุนพวกนายทุนก็มาปลูกเสียแยกบุรพาไอ้บางบุรพ า, าบางบุรพาก็เลยเอาเจ้ามกูมติดอยู่มันก็เลยพลอยไปด้วยไงมันมาสร้างไอ้แกลนมาสร้างคิงมาสร้างควีนขึ้นมาสามโรงหนังโอ้โ ห, โ ห, โหโก็เป็นย่านจากยา่านนั้นค่อยไปสยาม ประตูน้าไปสยามจากสยามเนะตอนนี้กลายเป็นอะไรเป็นไอ้ก่อนอะไรไม่รู้อ่าก็นั่นแหละสยามเซ็นเตอร์แล้วค่อยๆ อ, อะไรอาตมาชักไม่ค่อยรู้เรื่องนะตอนนี้ค่อยๆก็เลือนนะเพราะอาตมาถอยมาบวชละถึงไปเกิดลิดโดไปเกิดไอ้สยามไปเกิดกาล่าอะไรตรงนั้น แล้วก็ไปเกิดอะไรค่อขาอีกต่อไปไคือต้องมีโรงแห่งอบายมุกก็แหละโรงแห่งอบายมุกมันจะเกิดตรงไหนก็ตรงนั้นแหละความเจริญที่โลกเขาเรียกว่าความเจริญเพราะฉะนั้นคนที่ไปมุ่นลงไปสมหรือไปชอบไปตรงนั้นตรงนั้นคือพวกผีนรกรู้ตัวไว้ซะด้วยไอ้ที่ไปกระดุกกระดิ๊กอยู่แถวนั้นน่ะหรือพวกหา ก, กินอยู่แถวนั้นก็คือพวก อยู่ร่วมกับพวกผีนรกหลอกผีนรกหลอกกันไปหลอกกันมาล่วงตับกินไส้กันคือผีกระสือเยอะแดนนั้นคือผีล่วงตับกินไส้กันเยอะออกแสงวบ่าบาๆเลยเป็นนามธรรมที่จะต้องอ่านเป็นอาลูปที่อ่านให้รู้เลยนะว่านี่คือสัจธรรมคือประมัดผีกระสือคําว่าผีกระสือก็มันเป็นอย่างไงจริงๆมันหลอกล่วงตับกินไส้กัน มันหลอกกันโมกินตับกินไส้กินไส้กินผู้มันหลอกจนกระทั่งมันไม่รู้ว่ามันถูกล่วงตับกินไส้เพราะคนโง่มันก็ล่งตับกินไส้คนรู้ก็โอ้เรื่องอะไรแดนทิกระสือไปให้เขาล่วงตับกินไส้เราทําไมคนฉลาดก็ไม่ให้ไปล่วงตับกินไส้เพราะวงแดนทิพยกระสือเขาจะกินตับกินไส้กันกรเชิญเลยใครไม่เคยถูกทิพยกระสือล่วงตับกินไส้มั้งใครไม่เคยเคยทุกคน โง่มาก่อนทุกคนอาตมาก็เคยโง่ที่อาตมากำลังอธิบายในเรื่องปรมาทังนั้นเลยเป็นเรื่องของความลึกซึ้งของธรรมะเพราะโลกก็ดีโลกหรือโล ก, กีก็ดีเราก็ต้องรู้ว่าไอ้สังขารระโลกโลกที่มันปรุงแต่งกันอยู่อย่างที่เรียกว่าโลกนรกนรกคือจิตวิญญาณต่า จิตวิญญาณโง่จิตวิญญาณสัตว์ที่มันเป็นลหลงไหลอสิ่งที่ต่ําๆนั้นเป็นความสุขเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นเช่นพวกที่มันมีจิตต่ํามากโกงทีละมากๆอยากได้มากๆแล้วมันก็ลงมือลงทุนลงแรงรู้นะมันโกงมันรู้ว่ามันทุจริตแต่มันทําพวกนี้แหะคือผีชั้นต่ําโกงมากเท่าไรใช้ ความฉลาดฉลาดแกมโกงเรียกว่าเชกกาบาลีท่านมาเชกกาไม่ใช่ปัญญาเป็นความฉลาดฉลาดมาจากคำบาลีคือเชลยตนะมันใช้ทวารห้าทวารหนี่แหละตาหูจมูกดินกายกับใจในี่ปรุงแต่งทั้งนอกและในทั้งหมดเลยลวงคนอื่นหลอกคนอื่นทำให้คนอื่นรู้ไม่ทัน แล้วมันก็โกงกุหนาลัปปนาแล้วมันก็ทุจริตหลอกลวงขี้โกงสัตว์นรกชนิดนี้แหละคือสัตว์นรกชั้นต่ำที่สุดที่คนหลอกคนว่าเป็นคนชั้นสูงคือหนึ่งฉลาดไงสองได้ฐานะอยู่ระดับมีโอกาสฐานะเช่นกินงบลับ ใช้บัตเจ็ด 7, ใช้งบใช้งบก้อนโตมีอำนาจในการใช้งบมีอภิสิทธิ์ในการใช้งบพวกนี้คือข้อพยานะอัตมาอธิบายสัจธรรมนะอัตมาไม่ได้ด่าใครนะแต่ใครโดนคนนั้นก็จําเป็นนะมันจะต้องเลี่ยงไม่ได้ข อ, จ ง, องจริงอัอตมาเอาของจริงมาพูด น, ะนั่นอัตมาไม่ได้มเมนไม่ได้เป็นนักสร้างเรื่องนะอัตมากําลังบรรยายธรรมะ เพราะยังใครรู้ตัวก็นี่อาตมาไม่ได้ดา่าแต่อาตมา ก, กำลังบอกว่าคุณกำลังเป็นผีนรกถ้าคุณทำใช่ไหมขอขอแวะตรงนี้ก่อนคุณทำแล้วคุณร่วมกันโกงแล้วเจ็ดแสนล้านแล้วคุณกำลังจะปกปิดกำลังจะเลิกไอ้ความผิดอันนี้คุณยิ่งเจ็บบาปหนักเข้าไปอีกทับทวีจะบอกให้อย่าเลี่ยงเลยรับ บาปรับกรรมเสียเท่าที่มันจะใช้ได้ในชาตินี้คุณชาตินี้คุณไม่รับมันจะตกดอกมันจะออกปันผลชาติหน้าคุณจะถูกราคาปันผลทบต้นไปอีกหลายอัตราเพราะดอกเบี้ยบาปสูงทำไมสูงคุณโกงประชาชนทั้งประเทศ อันนี้เป็นสิทธิของคนประชาชนก็เป็นเจ้าของคุณมีโจดคุณมีเจ้าหนี้67ล้านอัตภาพไม่มีทางเลี่ยงใช้หนี้เสเถอะชาติหนึ่งแล้วคุณจะสบายชาตินาอย่าดันทุรังดิ้นใครร่วมมือกับกมหนักกมใหญ่นี้ราคาบาปก็แพง คูวไว้เลยจะเป็นผู้พิพากษาจะเป็นอัยการจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องร่วมมือต้องจัดการคุณร่วมมือคุณบาปด้วยและราคาแพงเพราะเป็นเรื่องที่คุณจะมีเจ้าหนี้67ล้านคนอาตมาไม่ได้คูนะขอภอภัยที่อาตมาขออวดตัวอีกทีนึงอาตมานีนรู้จักประมาณที่ผู้นี้อธิบายประมาณ อธิบายสัจธรรมขั้นสูงไม่ได้มุมีขอยืนยันเป็นการบอกให้ทราบสัจธรรมว่าอย่าทำและอธิบายเหตุปัจจัยอธิบายเหตุผลอธิบายหลักฐานทุก อ, อย่างให้ฟังไม่ใช่พูดโดยไม่หลักรอยพูดโดยเพอ้อเจอพูดโดยอธิบายอะไรไม่ได้พูดที่ไปที่มาให้ฟังทั้งหมดถ้าฟังดีๆจะเข้าใจ เพราะฉะนั้นก็ขอปรามว่าตอนนี้เมืองไทยกำลังจะกระเตื้องแม้ผู้ใดที่มีหน้าที่ขนาดนี้ได้รับได้รับบรรจุเข้าไปเป็นหน้าที่นั่นหน้าที่นี้อยู่เคยโกงมาหยุดซะดีๆหยุดซะเลยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเคยทำชั่วทำผิดมาหยุดเถอะกรรมเป็นของจริงกรรมเป็นของจริง กำชั่วแม้น้อยนิดอย่าทำเสียเลยนี่เป็นคำของสมเด็จพ่อของอาตมาใครรู้ไหมสมเด็จพ่ออาตมาใคร <Yeah. S 1> เนอเก่งตอบถูกเอาไปคะแนนเต็มสิบพระพุทธเจา้าสมเด็จพ่ออาตมาท่านตรัสไว้งั้นเลยความชั่วแม่น้อยนิดอย่าทำเสียเลยมันเป็นของจริงคุณทำแล้วคุณจะบอกไม่ทำไม่ได้คุณจะเอาไปให้ใครก็ไม่ได้จะเอาอะไรลบก็ไม่ได้ ไม่ละเหิดไม่ละเหยไม่ละเหยดมันไปกับคุณตลอดกาลานานจนกว่าคุณจะปฏิญญาผานเป็นปริโยสารมันออกฤทธิ์นะขนาดบรรลุเป็น พ, พุทธเจ้ามันยังเหลือส่วนเชือ่อที่มันเหลือไรันี้ยังมาออกฤทธิ์ทันเลยคุณจะเก่งขนาดไหนขนาดพะพุทธเจ้ายังยืนหนีวิบากไม่ได้ไพระก็ขอขอร้องเถอะประเทศไทยกำลังจะ ก, กระเตื้อง อาอตมาขอตัดเรื่องนี้เหมือนพยากรณ์ตอนนี้จะพูดคำเหมือนพยากรณ์เมืองไทยกำลังจะก้าวหน้าและจะเป็นตัวอย่างของโลกจะเป็นชมพูทวีปนี่ไม่ได้ระบุ ว, ว่าพยากรนะ์นะบอกว่าเหมือนพยากรณ์จะเป็นชมพูทวีปคืออะไรจะเป็นชมพูทวีปก็หมายความว่า มนุษย์จะมีสุรภาโวสติมันโตโตและอิทัปพรมจเรยวาโซนี่คือคุณสมบัติคุณลักษณะของมนุษย์ที่มีสมประ ก, การนี้นั่นคือมนุษย์ชมพูทวีปเพราะฉะนั้นคนใดคนหนึ่งรู้จักสุรภาโวรู้จักสติมันโตใช้สุรภาโวใช้สติมันโตและทำพรหมจรรย์ อิทะพรหมจริยาวาโซ so, อิทะก็คือนี่แหละคุณมีสุรภาววคุณมีสติมันโตนี่แหละโลกกายยาวานาคืบกว้างสอกพร้อมสัญญาและใจนี่คือองค์ประกอบองค์ประชุมของสังขารของคุณอาอาการ32เมื่อมีอาการ32เต็มแข็งแรงเรยวสุรภาวว มีกายและใจกายยาวานาคือกว้างสอกพร้อมสัญญาและใจอันดีมากสุระาโวแล้วคุณก็ปฏิบัติให้ใช้สติเป็นใช้สติได้สติปัฏฐานสี่ปฏิบัติกายกายกายคตาสติอาณาปานสติเป็นสติสมสติที่อาตมากาลังหยิบอธิบายอยู่นี้ว่าคุณต้องรู้ว่าองค์ประกอบของกายคตาสติคืออะไรและ ไปเป็นอาณาปานะสติคืออะไรต้องทํางานร่วมกันตัวทํางานแท้ก็คือสติปัฏฐานสเมื่อคุณทําเป็นคุณก็ทำในสติพิจารณากายในกายพิจารณาจิตในจิต พ, พิจารณาเวทนาในเวทนาจิตในจิตทําในรำเข้าใจแล้วคุณก็จัดการจัดการเวทนาจัดการจิตจัดการให้เกิดธรรมส่งไว้ซึ่งธรรม อธิบายก่อนแล้วว่าแม้อทำแค่เศษละอองธุลีแค่낱ไหนก็ไม่ใช่ธรรมธรรให้เป็นธรรมธรรมคือสิ่งที่ทรงอยู่ทรงไว้พระอระหันต์ปรินิพานเป็นปริโยสารสูญสิ้นหมดแล้วไม่มีธรรมะแล้วอะไรอะไรก็ไม่เหลือไม่มีอะไรทรงอยู่เลยธรรมะธรรมแม่อะไรก็ไม่มีแล้วเลิกล้มทุกอย่างของพระอระหันต์อัตภาพท่านสูญเลยทุกองค์ไป ไม่มีทั้งรูปและนามไม่เหลืออะไรเลยเมื่อทำปริญิพานเป็นปริโยศาสตร์คาว่าธรรมะก็ไม่มีแล้วไม่มีอะไรทรงอยู่แล้วรูปก็หมดแล้วแน่นอนนามก็สิ้นเลยไม่เหลือรูปและนามนั่นสุดยอดเลยไม่มีธรรมะแม้แต่ธรรมะก็ไม่มีเพองนราไม่ต้องกล่าวเลยว่ามีกรรมไม่ต้องกล่าวเลยว่ามีเวทนาไม่ต้องกล่าวเลยว่ามีองค์ประชุมของรูปนาม ในโลกในมหาจั ก, กรวาล น, นี้ไม่ต้องพูดเลยจบเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียนรู้ธรรมะแล้วก็เข้าใจเรื่องนามรูปชัดเจนว่ารูปมีความหมายสองอย่างใหญ่ๆ ห, หนึ่งรูปคือสิ่งที่รู้ได้โดยทั้ง รสตามันเป็นรูปเป็นภาพเป็นร่างเป็นปรากฏขึ้นมาให้ธาตุรู้หรือวิญญาณรู้ว่าอ๋ออันนั้นมีรูปมีทรงมีโฉมมีกายบางทีเขาเรียกกายเพราะเป็นองค์ประชุมทั้งหมดทั้งนามเลยรู้เสียงก็ถูกรู้กระทบก็เรียกว่ารู้หนึ่งรู้ได้ดยทางตาเรียก ว, ว่ารู้ สองรูปคือสิ่งที่ถูกรู้ด้วยวิญญาณด้วยธาตุรู้เสียงหูกระทบเสียงเสียงที่กระทบก็เรียกวารูปกลิ่นมากระทบจ ม, มกูกประสาทจ ม, มูกกระพออย่างนี้ก็เรียกวารูปลิ้นกระทบสัมผัสทางประสาทลินเป็นรสรสสัมก็เรียกวารูปกายสัมผัสแต่ต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งเบาแรงอะไรก็แล้วแต่ก็เรียกวารูป รู้คือสิ่งที่ถูกรู้ตัวรู้คือนามตัวรู้คือวิญญาณรือจิตเจตสิกต่างๆเป็นตัวรู้สัญญาเวทนาก็ตัวรู้ซึ่งเป็นนามธรรมอะแม้ผัดสะก็มีส่วนนาของนามธรรมาเป็นตัวรู้หรือแม้แต่กายก็ต้องเป็นนามธรรมามีตัวรู้ร่วมถ้าไม่มีตัวรู้ร่วมเลยไม่ใช่คําว่ากาย ขอย้ําก่อนจะตัดเรื่องนี้นี่คือเรื่องเขาประมาทอัตมาก็สงสารพวาที่ไม่มีพื้นฐานที่ไม่รู้เรื่องจะถามดีไหมเนี่ยถามว่าใครไม่รู้ยกมือนี่จะกล้ายกไหมไม่ต้องอายนะคืออัตมาอยากรู้สถิติเหมือนกันว่าที่มาฟังอยู่เนี่ยที่อัตมาอธิบายว่ามันเป็นธรรมะที่ลึกที่สูง แล้วมันนั่งอยู่นเนี้ยเนี่ยน่าจะถึงพันนะอาตมาแจากทีละลึกไปนี่จะหมดพันหมดแล้วอะ่ะหมดพันกว่าละพันสองรออะ่ะแล้วก็เหลืออยู่นี่ไม่ได้รับก็มีใครไม่ได้รับเข็มระลึกยกมือเนีเห็นมาตั้งเยอะอ่ะนะนะอยู่ใกล้ไม่เอาเองเลยแต่มันาโทษใครผมก็ยังก็ยังอยู่ตรงนี้เวียนวนอยู่นี่เอาจะถ่ายรูปไม่เอา ก็ไม่เป็นไรคือเสียสละดีเหมือนกันเอาอาตมาก็ถามแล้วกันอย่าอายตอบเลยอาตมาจะถามว่าใครไม่รู้เรื่องคือฟังมันไม่รู้เรื่องจริงๆเอายกมือที่ใครไม่รู้เรื่องเอาไม่ใช่รู้บ้างไม่รู้บ้างไม่รู้บ้างไม่รู้บ้างว่าอิทีหลังไม่ไม่รู้เรื่องผมฟังแล้วมันไม่รู้เรื่องเลยที่อาตมาพูดนี้อยคนโอ้โหรู้บ้างไม่รู้บ้าง โอ้โห oh, มากใครเข้าใจได้ดีพอสมควรเออกึงๆเนาะเมื่อกี้รู้บ้างไม่รู้บ้างเขาได้ดีพอสมควรพอไปได้ใครรู้ได้ดีมากไม่กล้ายกยโอ้มียกอยู่บ้างโอ้โหมีหนึ่งอัตอมาไม่เห็นอีกแง่มันเยอะนะคนเปมนพันโอ้โหรู้ดี อาตมาว่ามันง่ายมันชัดแล้วนะจริงหลายคนอาจจะไม่แน่ใจว่ามันก็รู้ชัดนะแต่ยังไม่กล้า ย, ยกดีถ่อมตนไว้หน่อยก็ไม่เป็นไรแต่อาตมาเชื่อว่าคนถ่อมตนอย่างนี้มีมันรู้ดีแต่มันกล้า ย, ยกมันจริงกระเปล่าว่าเรารู้ดีเปล่ามันถ่อมตนในตัวก็ดีถ้าคนถ่อมตนไม่อยากอวดตัวอวดตนก็ไม่เป็นไรแต่มีเหมือนกันบางคนอยากอดตัวรู้ไม่ค่อยดีแต่บอกฉันรู้ดีอะได้เหมือนกัน ก็ไม่เป็นไรจริงใจถือว่าจริงใจมันเป็นอย่างนั้นนี่เนาะเราเป็นอย่างนั้นก็อเอาอย่างงั้ น, นะอาตมาพูดไปนบางทีหลายผู้หลา ย, ลายคนก็มันไส้มันไส้ว่าอาตมามาอวด ต, ตัวอวดตนทำไมอาตมาออาตมาไม่ได้อยากอวดตนแต่ว่าที่อาตมาถ้าจะถามว่าอาตมาทาอาตมาอมาวดตนทำไมเขาตอบนะ อาตามาอวดตนทำงานจะทำไมก็ทำงานทำความรู้ให้เกิดทำความรู้ออกมาให้ปรากฏสู่สื่อออกมาอาตามากำลังเผยแพร่ธรรมะก็ทำทำธรรมะอธิบายออกมาให้คนอื่นรู้ถ้าอาตามาไม่พูดไม่สื่อออกไปแล้วมันจะรู้ได้ไหมล้วอาตมาตายลงแล้วเป็นไงก็เลยรู้ไหม อาตมาก็อยากจะเทออกมาเทออกมาให้รู้กันนะแล้วอยากได้กันมันม้งไหมล่ะอาตมาไม่มีปัญหาเ้าคนไม่อยากได้อะคนไม่อยากได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเนยะเพราะอาตมาพูดไปนี่นะรับรองว่าคนไม่อยากได้ก็ไม่เดือดร้อนหรอกนอกจากคุณจะมารับแลวคุณก็ร้อนใจของคุณเองแต่ถ้าคุณไม่รับคุณก็ไม่ต้องมารับสิคุณจะมารับทำไมล่ะ แม้อัตอมาจะโทรทัศน์ถ่ายทอดไปเข ก, ก็ปิดโทรทัศน์ทังกุ่จะไม่เสียไฟด้วยไม่เห็นจะยากอะไรเลยใช่ไหมแต่ถ้าเปิดอยู่อยากจะดูเป็นดูทําไมก็ขึ้นตัวอื่นก็มีช่องอื่นนี่มเยอะแยะก็ปิดไปทีพูดไปพูดมาเหมือนคนยวนเนาะพูดไปเมื่อมันยวนย่าเลยอเอาละวัก ก็ตัดไปนะเอาทีนี้ก็มาพูดถึงสังคมพวกเราบ้างขอภัยก่อนอื่นเพราะต่อไปนี้จะเป็นการอวดตัวอวดตนบอกให้รู้ล่วงหน้านะจะเป็นการอวดตัวอวดตนเพราะมันน่าอวดว่ะพูดหยวนอย่างเลยมันน่าอวดจริงๆนะอาตมาข อ, อภัยเธออาตมาก็ไม่มีโรคมันไส ถ้าอาตมามีโรคมันไส์อาตมาจะมันไส้ไอคนไม่ไม่น่าอวดอูดสิ่งที่ไม่น่าอวดเช่นมันอวดว่ามันเองเก่งทางโกงมันอวดว่ามันเก่งทางโกงอวดจังเลยมันอวดว่ามันแม่เขาเอาไปใช้คาว่ามันด้วยท่านกันไรกันท่านอวดว่าท่านฉลาด อวดจังเลยอ่าอวดจังเลยเนว่าฉันฉลาดแต่ว่าไม่ได้ฉลาดทางอายตนาหกเฉลยตนาคือฉลาดคุณอวิชชาในเฉลยตนะคุณไม่ฉลาดในอายตนาหกสัมผัสแล้วก็รู้ว่าี่เกิดกายเกิดเวทนาเกิดจิตเกิดธรรม แล้วคุณก็สามารถที่จะเรียนรู้ปฏิบัติกายเวทนาจิตธรรมเป็นปรมัติรู้ตัวเหตุแห่งความร้ายกำจัดเหตุแห่งความร้ายได้คุณมีชลยตนะคุณมีทวารหคุณมีหกอายตนะแต่คุณไม่มีความรู้ในอายตนะเลยแต่คุณไปฉลาดคุณไปฉลาดนะอายตนะหกของคุณนะไปฉลาดอวิชชาไปฉลาดโง่โง่ไปฉลาดโลกีไปฉลาดเอาเปรียบเอารัด ไปฉลาดไปติดรูปรถกินเสียงสัมผัสไปติดลาบติดยศติดสัตย์ื่ไปติดสุกติดเท็ดไปตดติดอะไรอะไรพวกนี้ยังงั้นนะคุณฉลาดแบบโลกีอย่างงั้นนะ<ค>แล้วคุณก็เอามาแข่งกันแข่งกันอวดกันอวดกันอวดกันโอ้ยอ้วกจะแตกอยู่แล้วเอามาแข่งกันเอามาอวดกันนอามาโชว์ขออภัยในพูดซื่อพูดตรงตที่ยิงอาตมาไม่เกิดอาการอ้วกอะไรหรอก แต่พูดสื่อด้วยโวหารอวดอยู่ได้นะเพราะงั้นไอ้ที่มันดีเช่นเขาอวดความจนมันน่าอวดกว่าคนมาอวดรวยเพราะการทำรวยเนี่ยมันคือการโลภอสมบัติไปให้คนอื่นเขาขัดข้องต้องแย่งชิงแต่คนที่เขาจนเขามาจน เขาเอาแบบคนจนอย่างในรวงรถตรัสหรืออย่างพระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าสิ่งใดเป็นไปได้ความมาักน้อยมักน้อยนี่คือจนมักมากนี่คือรวยเทียงสิเพราะงั้นปกติมาจนนี่เขาจะอวดจนมั่งเนี่ยมันเป็นไง ที่เขาไม่ได้อวดหน้าเกลียหน้าช่างเหมือนทั้งทังโนรอกทั้งน้นอวดกันแล้วแบลมารวมตัวกันแล้วก็มาตีคลองตีครองประโคมคนจนเขาไม่มีสมบัติอะไรจะไปหาคลองมาตีไปหาแสงมาฉายไปหาเงินไปจ้างกระบอกเสียงโฆษณาเขาไม่มีหรอกคนจนน่ะเขาก็อวดได้เท่าปฏิเค้าจะทําได้เท่านั้นเองเข้าใจไหม้เขาอวดบ้างเหอะ ถึงยังไงยังไงมันก็อดเต็มที่สู้พวกคุณไม่ได้เราควรรวยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าแสดงหรือหน้าโชว์น่าบอกกล่าวกันมันควรบอกกล่าวสิ่งที่เรามายืนยันเป็นคนจนแต่คำว่าคนจนนี้อาตมาพยายามสรรหาภาษามาเรียกว่าเราจะเรียกว่าคนจนอย่างไรดีคนจนอย่าง เร อ, อัตมาไ ด, ได้คําว่าคนจนมหาศจรรย์คนจนยังมีเมตตาคนจนยังมีสมรถนะคนจนยังมีความขยันหมั่นเพียรคนจนอย่างที่ทาแล้วก็แจกจ่ายเสยสละเกื้อกูลไม่หวงไม่แหนไม่ขี้เหนียวคนจนสร้างสรรค์สิ่งที่รู้ด้วยว่าอะไรควรสร้างแล้วก็ทําสิ่งนั้นให้แก่สังคมโลกซึ่งเป็นคนจนที่เจริญเป็นคนจนที่ฉลาดฉเฉลียวจริงๆ ไม่ใชฉลาดแกมโกงที่เป็นเชกกาแต่ฉลาดเป็นปัญญามีชลยตนาที่เข้าใจชัดในเรื่องของสังไกขอจิตกับลูกกำนามแล้วก็อยู่สัมปัตสัมพันอยู่กับสังคมเนี่ยเข้าใจทุกอย่างทั้งองค์ประกอบของสังขารปรุงแต่งอะไรออกมาก็เข้าใจว่านี่อะไรควรอะไรไม่ควรมีความรู้ทั้งมหาประเทศมีสปริสรรมเจ็ จัดการจัดสรรอย่างจริงแล้วก็ทํางานให้แก่สังคมเป็นนักการเมืองเบอร์หนึ่งเพราะทํางานให้แก่สังคมรับใช้สังคมที่แท้จริงไม่ใช่นักการเมืองตอแหลเลือกผมไปนะครับผมจะไปรับใช้ท่านครับผมจะรับใช้คนครับแล้วก็ไปโกงไปกินไปโลภโมโทสันไปอะไรต่ออะไรไม่ได้รับใช้จริงหรอกไปอาศัยสมบัติ ของส่วนกลางของสังคมประเทศชาติขอรับชั่นคอมมิชชั่นอะไรกันอยู่เต็มไปหมดฟังดีๆนะอาตมาวันนี้พูดใหญ่แต่ไม่ได้พูดปากจัดพูดปากชัดวันนี้ชัดดีไหม อัตมาเจตนาพูดปากชัดไม่ได้พูดปากจัดอะไรแต่คนที่ชอบใส่ความอัตมาว่าว่าอัตมาเป็นคนปากจัดอัตมาปากชัดพูดชัดๆพูดให้มันให้มันครบให้มันกระจ่างให้มันสมบูรณ์ให้เข้าใจกันให้ได้อัตมาอย่งอัตมา ว่าสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้ที่สุดนี่คือความรู้โดยเฉพาะความรู้ของพระพุทธเจ้าความรู้ที่เป็นสมบัติของคนไทยเพราะคนไทยนับถือพุทธ95มันก็ต้องเป็นสมบัติพุทธเป็นสมบัติของผู้ที่ปะยี่ห้อว่าฉันเป็นพุทธใช่ไหมเป็นสมบัติของคน่ะ แล้วคุณทิกงิ้งว้างๆว้างดูถูกดูแคลนข้ามหูข้ามหัวไม่ใส่ใจไม่ใยดีไม่เป็นไรคุณไม่เอาไม่ใยดีช่างหัวคุณเอาหาววายาบสั่งศีรษะคุณคุณไม่เอาข้ามหูข้ามหัวก็ช่งางศีรษะคุณนะ คนใดสนใจก็เอาเถอะอัตมาว่าเป็นสิ่งที่ควรได้ควรมีควรเป็นอย่างยิ่งก็คือความรู้ที่เป็นพุทธธรรมอันเป็นสมาธิอันเป็นปรมาติอันเป็นโลกุตธรรมหรือเป็นอาริยธรรมนี่แหละควรได้ได้แล้วจะมาจนใครกลัวจนหนีไปเลย ใครกล้าจนมาเลยอย่างน้อยก็ไปเข้าตระกูลหมอเขียวนน่นไปตั้งนามสกุลก่ากล้าจนไม่แล้วข้เอาหัวมงกุฎหัวพงหัวมันไปแล้วกล้าจนวะใครกล้าจนมาเลยแล้วตมาจะพาพวกกล้าจนนี่บรรลุทำได้บรรลุได้แล้วสุขปรมังสุ ข, ขัง สุกพระจนนี่แหละไอ้สุกเพราะรวยน่มอย่าไปสุขเลยมันบาปสุขเพราะรวยน่ะสุขบาปสุขพระจนนี่แหละสุขบุญเพราะชําระกิเลสได้จริงบุญคือการชรําระกิเลสวันนี้จะไม่ขอาพาดพิงไปถึงคําว่าบุญไม่อธิบายบุญประเดี๋ยวมันจะยากขึ้นไปอีกขออธิบายร่องกายคําเดียวก่อนอก็จวนจะหมดเวลาแล้วละยังเหลืออีก 20นาทีเท่านั้นนะสังคมของชาวโอโศกตั้งแต่เริ่มต้นที่อาตมาอาตมาก็อธิบายธรรมะมาตั้งแต่เป็นคารวาัตพอเราะเริ่มมันรู้ตัวฟืน้นฟื้นคืนชีพธรรมะมาตั้งแต่เป็นคารวาัตไปปลายทางที่ก่อนจะก่อนก่อนจะออกมาบวชเนี่ย ก็ได้และเริ่มตนมีธรรมะฟื้นธรรมะขึ้นมาก็ก็ได้อธิบายธรรมะแล้วก็เผยแพร่เขียนขลังธรรมะเปิดขลังธรรมะในหนังสือบันเทิงอาตอมาในเปิดขลังธรรมะในหนังสือบันเทิงใช้นามประกา ว, ว่าโพธิรักนี่แหละนะแปลว่ารักษาโพธิโพธิรักษา เปิดคอลัมน์ธรรมชชีวิตนี้มีปัญหาในหนังสือบันเทิงคือดาราภาพซึ่งเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือบันเทิงที่ฮิตที่สุดขายนำสังคมเลยในประเทศจนมีคนมาออกหัวลอกเรียนชื่อมันดาราภาพก็มาลอกเรียนภาพดาราจั ก, กรวาลดาราอะไรต่างๆภาพอะไร สิบเอ็ดฉบับซื้อหัวมามันฮิตเนี่ยายถล่มทลายเลยดาราภาพตอนนั้นอาตมาเป็นตัวเริ่มต้นธรรมขอภัยขอเล่านิดหนึ่งเป็นประวัติคือคุณชวนชวนชยัยเตชะศรีสุธีเนี่ยเป็นเจ้าของโรงพิมพ์แกมได้เครื่องพิมพ์ออบเซ็ต เล็กๆมากตัวหนึ่งตั้งแต่ยุคมันยังไม่มีกันนะแกก็ได้ตัวนี้ก็มาพิมพ์โอ้เป็นออบเซ็ตแกก็มาพิมพ์ภาพเพรแกขายเพราะแกขายภาพแกขายภาพดาราอยู่ที่นั่นแกก็พิมพ์ขายอาตมาก็เลยว่าเอออาตมาก็ว่าเออดีว่าพิมพ์สีพิมพ์มแบบนี้มันดีออบเซ็ตมันใหม่อาตมาก็เลยจะออกหนังสือดารา ออกหนังสือเกี่ยวกับนักร้องอัตมาก็ส่งเสริมนักร้องอยู่ตอนนั้นอ่ะขวัญดาวก็เลยไปออกหนังสือพิมพ์ขวัญดาวทำหนังสือพิมพ์ขวัญดาวโอ้หมดเนื้อหมดตัวไปหมดรถติดแอร์ไปคันหนึ่งหมดต้องขายรถติดแอร์ไปคันหมดเงินแล้วก็หมดขายสมบัติก็ต้องขายรถติดแอร์ไปออกไม่ได้สามฉบับเองหมดเนื้อหมดตัวไม่ใช่หมดเนื้อหมดตัวมันหมดมันทำไม่ไหวต่อไม่ไหวมันหมดตังค์แล้ อาตมาก็หยุดทีนี้คุณชวนเขาบอกว่ามีวันหนึ่งมาเจอเขาแล้วบอกว่าตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าอาตมาอายุอ่อนกว่าเขาสองปีเขาคิดว่าอาตมาอายุแก่กว่าเขาเขาเรียกพิรักพิรักอาตมาไปทำดาราภาพเขาไปทำที่เขาไงพิรักมีความรู้ทางด้านทําหนังสือผมมีความรู้ทางภาพผมก็ขายแต่าภาพดารา พิรักษก็อยู่ในวงการดารามาออกหนังสือดารากันดีไหมพิรักษก็ทํางานอยู่วงการดาราผมก็ทําภาพสํานาญภาพมีภาพลเครื่องพิมพ์ออบเสร็จด้วยมาออกหนังสือดารากันทําก็ทําคุณออกทุนอาตมากออกแรงก็รวมกันตั้งชื่อหนังสืออะไรดีวะคิดกันก็เอาดาราภาพแล้วกันผมเป็นภาพ พิรัตอยู่ฝ่ายดาราก็ดาราภาพแล้วกันตกลงจดสมุดือดาราภาพก็พิมพ์กันออกมาก็ต๊กก็แตกมาแต่มาก็เหมาหลายขอลำเลยเขียนก็ทากันออกมาจนกระทั่งขอรวบรัฐมันดังจนกระทั่งคนเอาอย่างะทั้งส1บอ็ดหัวดังกันตอนนั้นนะไม่รู้อะไรดาราตัวดารารู้ ไม่รู้อะไรภาพตัวภาพไม่รู้มันก็เอาไกลๆเคียงๆพวกนี้ส1บอ็หัวเนี่ยขายกันยู่กระทั่งหนังสือดาราภาพสุดเลยเพราะมีคู่แข่งเยอะเกินจนกระทั่งมันดังจนกระทั่งมาอาศัยนักรือดาราภาพในสร้างนังโทนก็ได้ทรัพย์สินกันมาได้พอสมควรแล้ววัดทลายทำสถิติทลายเลยแข่งกันกำมวลรักลูกทุ่ง ชายโคลีเซียมโทนชายเฉลิมกรุงเจ้าโคลีเซียมหลอกเอาหลอกเอาว่ามันได้ดาราได้เงินเท่านั้นนั้นไปมีไอ้ป้ายเขามีคัดเอาอยู่ข้างหน้าไอ้ลงเฉลิมกรุงเนี่ยนะขัดเอาใหญ่แล้วเขาก็มีผ้าพื้นตอนนี้ได้ทอนนี้ล้านแล้วตอนนี้ได้ท อ, อ, อนนี้ล้านแล้วอ่าสามสล้านแล้วจ้าสี่ิล้านแล้วจ้าห้สิบล้านมันทําไมวันหนึ่งมันเพิ่มกี่ล้านกันเว้ยเว้ยเราก็เป็นนับที่นั่งอยู่ที่เคโคลีเซียม ามาบวกลบคูณหาราคาที่นั่งชั้นละ5บาท10บาท15บาทคูณแล้ววันหนึ่งมันคูณไปมากกว่าไอที่มันบอกว่านนี้ได้เพิ่มเท่านี้ร้านนมันโกหกนหว่าก็จับได้ว่ามันโกหกเอามุกตัวเลขมาโฆษณาคมเพราะมันแข่งกันโทนกับไอ้ลักลูกทุ่งแข่งกันสองรงทโทน่ะดีกว่าและอาตมาก็จับเคล็ดได้อีกที่หนึ่งว่ามันต้องพิม แผ่นเสียงเพราะมันหนังเพลงทั้งคู่ล้ายแผ่นเสียงแข่งกันมนตร์รักลูกทุ่งกับโทนล้ายแผ่นเสียงแข่งกันเขาก็โม้โกโหกหลอกไปเรื่อยเลยไอ้เราก็ไม่โกพราอาตมาคุมอยู่เนี่ยอาตมาอยู่ฝ่ายโทนใช่ไหมและโดยเฉพาะเพลงอาตมาก็เป็นคนดูแลอยู่หมดเลยเราพิมพ์ออฟเซ็ตของเราพิมพ์มันมันจะมีซองซองทีงพิมพ์ออฟเซต็ตซอง ใส่แผ่นลองเพลงายลองเพลงกันนะขายแผ่นละร้อยตอนนั้นนะแข่งกันตกลงเรามาขาย99าบาท <c oughs> นะเรามาแข่งราาเกาศ9บาบาทเลขเลขเลขอะไรเลขเลขโชคเ ล, เลขมงคล99เาแล้วก็เล่นเคชรไปเงี้ยายแข่งกันนะแต่ว่าเราจับเล็ดได้ตรงที่ว่า พิมซองของมันนะมันตอนนั้นมันก็ลงพิมพ์มันหายากลงพิม o f f s ลงพิมเก่งๆพิมดีๆพวกนี้มันก็เลยไปพิมพ์ลงเดียวกันเราพิมพ์ไม่ทันรงพิมของห้องภาพสุวรรณพิมพ์ซองไม่ทันก็เลยต้องไปจ้างพิมพ์แล้วก็ไปพิมพ์ลงเดียวกันเราก็เลยรู้ยอดทีว่าตกลงไงมนลักลูกทุกมันพิมพ์เท่าไหร่กันแน่เราก็รู้ยอดของเราอยู่แล้ว แล้วมน ล, ล, กลกักลุกทุ่งก็เออลงพิมมันพิมพ์อสองให้มันรู้อยู่แล้วแต่แอบนวนมันไม่รู้เพราะว่าเราพริมพสองรงเขาเราพิมพ์เองด้วยเขาลองพิมแอบนวะลเพราะงั้นมันไม่รู้ยอดของเราออกทางนูนเขาพิมพ์ อ, อยู่โรงเดียวใช่ไหมเราก็รู้ยอดของเขาเต็มแต่ของเรายอดของเราเนี่ยเราก็รู้เขาไม่รู้เขารู้แต่ยอดของทางนู้นก็าไปถามทางนู้นก็รู้ยอดของเราพิมลงพิมนวลเท่าไหร่หร i, แต่ยอดของทางโรงพิมพห้องสมุดเรามีอีกต่างหากเขาไม่รู้ไงเขากำลุ้เราก็เลยรู้ความจริงว่า ตกลงยอดพิมพ์เนี่ยมันจะพิมพ์ไปยังไงซองไม่มันเอาไปใช้มันพิมพ์ไปทิ้งมันมันก็ไม่ทำใช่ไหมมันก็ต้องพิมพ์มันเสียตังค์นี่เราก็รู้ยอดว่าของเราเหนือกว่านะเหนือกว่าตกลงพอพิมพ์พอไอ้นั่นเสร็จโฆษณาเสร็จสัตพรกรก็เรียกสิอ่าเรียกก็คุณบอกว่าคุณได้เท่านี้ล้าน สัมภารก็เรียกกันนะโหงิกเลยหน้างิงกหน้า ง, งอใหญ่แล้วก็แก้ตัวเป็นไฟเลยทีนี้ก็ไม่รู้ไปแก้ตัวกันเอาเองนะเรื่องเล่าพวกนี้สนุกนกเยาะแย ะ, ยะไปถ้าอาตมาจะเล่าถ้าอยู่ทั้งโลกป่านนี้อาตมาก็ไปทางโน้นแล้วป่านนี้พวกคุณก็ไม่พุดไม่เกิดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้อาตมาก็คือจริงๆมันต้องมาเพราะว่ามันเหมือน ก, นกันกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านต้องเกิดมาแล้วก็ท่านก็จะต้องสร้างศาสนาเพราะว่าท่านท่วนแล้วท่านมีพุทธการะธรรมครบทำที่จะให้ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าท่านมีพุทธท่านมีครบมาแล้วท่านสังสมมาทุกแต่ปางกันซึ่งอาตมาก็อธิบายสู่ฟังหมดแล้วพระพุทธเจ้าท่านมาเกิดเป็นเจ้าชายศิทสัจธรนี่ท่านไม่ได้เคยปฏิบัติธรรมพุทธเลยเพราะพุทธมันยังไม่มีพุทธมันยังไม่เกิดแม้ในตัวท่านท่านก็ยังไม่รู้เขาพยาน์กรตั้งแต่ท่านประสูติ พราหมณ์พัจารว่าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตมีสองคติททันยุทธ์ทั้งโลกจะได้เป็นจกักรพรรดิถับไปทางโน้นจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็มีคติมีอัญญาโกลมีโกธัญญาคนเดียวบอกว่าคติเดียวเป็นพระพุทธเจ้าในแปดพราหมณ์ขนาดนั้นท่านก็ไม่รู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าเป็นยังไงวะ นี่แหละสภาพนี้อาตมาถึงเรียกว่าเป็นสภาพลิงล ม, ลมอมเข่าพองมันยังเมาโลกีอยู่มันยังไม่ฟื้นเกิดมาก็อยู่ในครอบของโลกีก่อนซึ่งอาตมารู้วันนี้เพราะอาตมาก็เป็นคนหนึ่งอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมากเกิดมาก็ถูกโรคครอบอายุตั้ง36ถึงค่อยฟื้นรู้อ๋อไปเสียเวลาอยู่ได้ตั้ง36ปีพระพุทธเจ้าก็อายุยีิบก้า ขนาดยีท่านยังไปถูกลิงลมงโกพองอยู่ในรัฐิโลกที่มันครอบงำอยู่ทางนั้นคือออกป่าไป บ, บ, บเพ็ญทุกกรริริยาอยู่ตั้งหปีถึงท่านก็ตรัสไว้แล้วในพัธรปิฎกเล่ม32ข้อส9 2นะที่ท่านตัดอธิบายไว้ว่าโอ้ห6ปีนะั้นเราไปใช้หนี้วิบากที่ไปละเมิดพระพุทธเจ้าองค์กัสปิะในปางที่เป็นโชติปาละ ไปจับช่วง พ, พระพุทธเจ้าองค์นั้นก็เลยต้องรับบิบากไปใช้นี่ทรมานทรกรรมในทุกกรกิริยาต่างๆแข่งคนโลกโลกเขาซึ่งมันทรมานเป็นกิลมัรานโยกปเปล่าทรมานร่างกายทรมานชีวิตทุกทรมานปเปล่าไม่ทรมานยังไงเป็นนอนบนน้ำไปทำไม่นู่นเป็นกินขี้กินเยี่ยวไปทำอะไรทุกอย่างเลยนอนในพวกไอ้เด็กเลี้ยงงวเลี้ยงควายมันเอา ไม่มาจิ้มลูกตาท่านก็ต้องทงนเนีมันจิ้มลูกตาไปทอมรสมาประนันน่ะเรียกว่าอดทนไม่ต้องหนีวิบากคือคือมันหลอให้ทนอ่ะมันก็ทน ท, ทนสุดทนจนชนะทุกอย่างเป็นวิบากที่ตนรับวิบากกรรมนังมากตร้งมายเนี่ยสรุปแล้วจนกว่าท่านจะรู้ตัวก็ต้องอายุ35ม้าตัดสรู้ในวันขึ้นส5บห้าค่เดือนห ท่านก็ะระลึกชาติได้หมดเืออาตมามันะระลึกชาติไม่เก่งเท่าท่านก็ะระลึกได้เท่าที่ได้แล้วก็เอามันก็ค่อยทยอยย้อนทุกวันนี้ก็ยังะระลึกอยู่นะแล้วระละรึกได้ก็เอามากระจายขยายอยู่เนี่ยไปเรื่อยๆ เ, เพราะอาตมายังไม่ท่วนเต็มยังไม่เท่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านวันเดียวตัดสู่ท่านก็พรวดขึ้นมาโอ้โหเต็มเลยมากมายกายกองแล้วก็ประกาศาศาสนาทันทีมันก็มีอยู่สองอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้า เมื่อรู้ตัวท่านว่าท่านเป็นพุท ธ, ธเป็นผู้มีสมาสัมโพทิยานมาแล้วเป็นพุท ธ, ธาการธรรมเต็มแล้วก็ต้องมาดูโลกเรียกว่าพุธทธุพกาละพุธทธุพกาละก็ต้องมาตรวจโลกในกาละยุคนี้มันจะประกาศศาสนาไปสมเหมาะสมควรไหมคุมไหมเป็นไปได้ไหมท่านก็ตรวจอีก ตรวจองค์ประกอบของยุคสมัยและองค์ประกอบของมวลของเหตุปัจจัยทุกอย่างเมื่อตรวจแล้วก็หนึ่งเมตตาสองตรวจแล้วว่ามีผู้มีทุลีในดวงตาน้อยที่จะพอช่วยได้อยู่ไม่เสียของคำว่าเสียของในขอฝากไว้ในคณะค อ, อชชหน่อยฝากไว้แล้วก็เอาตัด อย่าให้เสียของเลยนะพระพุทธเจ้าก็ตรวจสอบแล้วจะเสียของไหมโอ้ไม่เสียของพอได้เมื่อท่านประเมินแล้วพุทธ ป, ปุพกาละท่านก็ตัดสินพระไทยในการตัดสินพระไทยของท่านก็เทากับคูแขนเข้าเยยดแขนเดี๋ยวลำโพงไอ้เมไมโครโฟนพังคูแขนเออเยดแขนออกคู่แขนเข้าดขเดี๋ยวปุ๊บ ท, ท่าน เร็ววัางง้นเถอะสรุปแล้วก็จกองประกอบตัดสินทันทยเร็วเมื่อตรวจโรคแล้วเสร็จก็ออกละผู้มีในทุดีในดวงตาน้อยพอมีอยู่ที่จะฟังธรรมะได้พอสามารถที่จะช่วยคนได้จำนวนไม่ไม่คุ้มสรุปแล้วก็คคุ้มไม่เสียของท่านก็จึงประกาศศาสนาอย่างนี้เป็นต้นนะ เรื่องพวกเรานี้เป็นอจินไตเป็นเรื่องที่ไม่ใช่จะมันคนเดาด้านเด า, ดาคิดเอาเองได้น่ะไ ม, ม่มีใครรู้ง่ายๆหรอกแต่อัตมารู้กัเพราะวาอัตมามีสภาวะธรรมของจริงติดตัวมา <c oughs> ก็อวดตัวสู่ฟังนี่แหละใครมั่นไส้ก็ต้องขออภายัยใครอยากจะฟังต้องการฟังต้องการรู้ดิจตนาอยากจะฟังอยากจะรู้ไม่ได้คิด สังเกียตไม่ได้คิดเพ่งโทษอะไรได้ก็ดีฟังแล้วก็จะสบายใจนะฟังแล้วก็จะรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นเพราะเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่เรื่องมอมเม า, เมาไม่ใช่เรื่องโกหกมันเป็นเรื่องสั จ, จธรรมที่มันลึกซึ้งมันลึกเกินกว่าที่จะคิดได้เรื่อว่าอาจินไตนะ่เอามาเล่าสู่ฟังนะที่สังคมชาวโศกเนี่ยอาตมาเอาสั จ, จธรรมของพระเจ้ามาเปิดเผย ตามหน้าที่ที่อาตมาบอกแล้วว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์แม้แต่ที่สุดว่าตัวเองอยู่ระดับไหนอะไรยังไงก็พูดไปก็ไม่ค่อยเชื่อก็หลอกไม่เป็นไรหรอกอาตมาไม่บังคับเชื่อกันได้ไงแต่อาตมาก็ทํางานเต็มที่มาจนตัววันนี้ก็ค่อยๆคลายใจอ๋อก็คงจริงเนาะก็เชื่อขึ้นมาตามลําดับตามสัจจะที่มันก็เป็นไปเพราะอาตมาอยู่ได้ทํางานมาได้ถึงป่านนี้ซึ่งเอาสัจธรรมที่เป็น พุทธธรรมอันเป็นอริยะเป็นโลกุตระของพระพุทธเจ้ามามาประกาศสืบสารตามธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยกัตัญญูกตวเวทีอย่างยิ่งก็ทามาได้ขนาดนี้ก็เป็นสิ่งยืนยันว่าจริงหรือไม่จริงผู้มีปัญญาก็ตัดสินเอาเองก็ทุกคนหลัมีปัญญาของเท่าที่ตัวเองโง่ไม่มคเคยโง่กว่าเกินกว่าที่มีปัญญาของตนหรอกใช่ไหม ทุกคนก็ต้องฉลาดเท่าที่ตัวเอ ง, งโง่ก็ต้อ ง, งโง่เท่าที่ตัวเองฉลาดธรรมดาก็ใช้ของตัวเองตัดสินเมื่อตัดสินแล้วคุณเห็นด้วยกุมาเอาจนะชาหนลอาตมาแปดสิบละตายวันตายพรุ่งไม่รู้นะตอนนี้โขวแม้จะตั้งข่าวไว้ว่าจะอยู่ร้อยห้าสบเอ็ดแต่ไม่แน่ความแน่นอนไม่มีหรอก อาตมาก็ตั้งใจเท่านั้นเองภาคเพียนไม่รู้ว่ามันจะบุกบัน่นภาคเพียนนี้อุตสาหะวิริยะมันจะได้มากขึ้นเท่าไร่อาศัยทั้งพวกคุณอาศัยทั้งตนเองอาตมาจะอายุยาวยืนได้แต่ไม่ต้องมาประครบประงมอาตมาพูดไปแล้วก็เดี๋ยวจะมาม า, มาลุมมต้มมาประครบประงมอาตมาตายไวเลยแน่นอน รับรองในตายไวโดยไตยไม่ไวยยังไม่ทันไตวายวเลยจะตายไวพบคุณมารุมมตุ้มเนี่ยไม่ต้องแล้ทุกวันนี้เนี่ยอาตมาเกินพออยู่แล้วมีคนอุปการะชีวิตนี้สบายอยู่แล้วประรับปติธทาเมชีวิกาชีวิตก็คนอื่นเลี้ยงดูไวแล้วทุกวันนี้อาตมาไม่ได้ต้องเลี้ยงดูตัวเองเลยกินเขาก็มาเอามาให้กินจนเกินพอกันทุกวัน่ะ จะอยู่จะไปจะมาจะทำงานจะใช้สายอโนโนนี้ก็ทำไปตามประสาตามบา ร, รมาีมีรายดงรายได้มีส่วนนั่นส่วนนี้มาให้สุจริตตามสุจริตแล้วอาตมาก็ตั้งกติกาเช่นว่าอาตมาจะได้เงินบริจาคจากคนถ้าคนไหนไม่ได้มาศึกษาไม่ได้เข้ามาคบคุณไม่ได้มารู้กันพอสมควรจริงๆจะอ้างมาศรัทธาเท่าไหร่ก็ตามถ้าไม่มีหลักฐานยืนยันต้องมาคบหากันที่นี่ ขณะนี้นี่มีประเด็นด้วยว่ามันแพร่ไปทางโทรทัศน์แล้วเขาก็มายืนยันยฉันดูโทรทัศน์มาเกินเจดสิบวันแล้วอะตั้งเจ็ดร้อครั้งลวมั้งเกินเจ0ดรอยครั้งแล้วแต่มันออกมาหลายปีแล้วอะไม่เอาไม่คิดทางโทรทัศน์ไม่คิดคุณต้องมาสัมผัสที่นี่อย่างน้อยอ่านหนังสืออาตมาเจดเเล่มก็ต้องขอเล่มขนาดนี้หน่อยนะ ไม่ใช่เล่มมีอยู่20หน้าอะไรเนี่ยก็บอกเล่มหนึ่งแล้วก็เอา20หน้านี่ละเล่มเพราะหนังสืออาตมาเล่มเล็กๆ ก, ก, ก็มีมากๆ ก, ก็มีเป็นร้อยร้อยเล่มแล้วเขียนหนังสือมาถึงกว่าร้อยเล่มแล้วอาตมาก็นึกไม่ออกว่าไงว่าชาตินี้ทําไมเราเขียนหนังสือได้ถึง ก, กว่าร้อยเล่มพิมพ์เป็นล้านหนังสือพิมพ์เป็นล้านแจกไปแต่คนอ่านแค่สิบแค่ร้อยหนังสือพิมพ์เป็นออกมาแต่คนอ่านน้อยไม่รู้นะอาตมาว่างั้นแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็ทิ้งไว้มันเป็นใบเสียงดัง แม้มันจะแก่ๆเก่าๆ เ, เดี๋ยวคนก็คนอีกเราจะมีราคานะมันเล่มไหนไม่พิมพ์เพิ่มเลยเดี๋ยวจะมีราคานะ เ, าเดี๋ยวจะยาวเกินเพราะงั้นอาตมายัางยืนยันได้ว่าอาตมาอาศัยพระเตปิดกที่เป็นหลักฐานทางสาคนโลกยังรับรองอยู่ว่าเป็นพระเตปิดกแม้ฉบับสยามรัตนนี่ก็ตามอาตมาดูแล้วเห็นแล้วอาตมาก็ก็เห็นว่ามันยังเป็นสัจจคของมพระเจ้าอย่างจริงเลย อาตมาอ่านพระเปิปดกเล่มไหนตรงไหนแล้วก็โอ้หมันเนื้อแท้เนื้อแท้เนื้อแท้แทจริงบางอ่านบางอย่างที่ท่านแปลสำนวนมันอาจจะพออาตมาตามสภาวะไปแล้วมันไม่ค่อยตรงนะักก็ขออภยัยอาตมาตามค้อมเม้นก็อานพระธรอย่างจริงใจเห็นว่าเมื่อมันเพี้ยนอาตมา ก, ก็แก้บ้างแก้ไปหาสภาวะที่อาตมามั่นใจว่ามันควรจะเป็นอย่างงี้นะถ้าใครเชื่อว่าอาตมามีสภาวะของอริยธรรม ที่แท้จริงกว่าท่านผู้แปลท่านไม่มีอารอยธรรมเท่าอาตมาคนนั้นก็คิดว่าก็คงจะฟังอาตมาบ้างแต่คนที่คิดว่าโอ๊ยอาตมาพูดนี่แปลเองของอาตมาเนี่ยมันสู้ท่านผู้แปลพองนี้ไม่ได้หรอกก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคุณก็ต้องไปชอบทางโน้นรับยบรับรองของทางโน้นคุณจะมารับรองของอาตม า, ตมาทาไมละก็คุณเชื่อทางน้นมากกว่าใช่ก็ไม่มีปัญหาอะไร อาตมาไม่แย่งลูกค้าใครนะจริงๆเพราะอาตมามีปัญญาอย่างหนึ่งถ้าลูกค้าอาตมาน้อยอาตมาจะเบางานไหมเมื่อยน้อยใช่ไหมมัก็เมื่อยน้อยมันก็ถวากันไปมันก็ดีสมใจนคนขี้เกียจเหมือนกันนี่แต่อาตมาก็ไม่ได้ขี้เกียจหรอกนะมากก็ได้ก็ดนะีสรุปแล้วอาตมาก็มั่นใจว่า เนื้อหาสาระของพุทธธรรมพุทธศาสนาพุทธศาสสนาหรือแม้แต่พุทธศาสตระก็ตามมันออกฤทธิ์แล้วเป็นสัจธรรมของชมพูทวีปคือ มีคนที่มีสุรพาโวนี่แหละคนไทยมีอายตนะสาครบแล้วก็มีปัญญาถึงขีดมีสติมันโตมีการใช้สติเป็นมีการรู้จักการใช้สติได้ดีพอมีปัญญามีสติมีปัญญามีสัมปช ana มีองค์ประกอบของจิตเจตสิกพวกนี้ประสิทธิภาพของจิตเจตสิก พอที่จะปฏิบัติอารียธรรมของพระพุทธเจ้าได้อยู่ในข่ายของเวเนยสัตว์มีพอมาฟังได้รู้เรื่องได้เอาไปปฏิบัติมีผลสำเร็จได้เรียกว่ามีสุรภาโวสติมันโตจึงมาปฏิบัติพรหมจรรย์ น, นี้ตั้งแต่ศีลห้ายังไม่ถือว่าพรหมจรรย์ก็ตามเป็นเบื้องต้น ศีลห้าได้มากได้พลเป็นโซดาบันได้โครงสร้างของโลกุตตรธรรมเข้าใจโพธิปักทยธรรรมได้ปฏิบัติได้ขึ้นมาอย่างน้อยผ่านสังโยชน์สามได้รู้จักจับกิเลสได้สั ก, กายะถูกต้องไม่ผิดแล้วก็มีทฤษฎีมีวิธีการศีลพรต ปฏิบัติลดละกิเลสได้พ้นสีริปตะปรามาจึงเป็นโซโดาบันจิตมีผลนั้นแม้คุณจะไม่รู้ภาษาคุณจะไม่รู้แต่จิตคุณได้คุณก็เป็นคุณตรรมของคุณแน่แท้แต่ละคนแต่ละคนไปส่วนผู้ที่ได้สามารถรู้และมั่นใจมากกว่าก็เข้ามารวมจึงเกิดกลุ่มพุทธบริษัท จึงเกิดอุบาสกอุบาสิกานักบทจึงนักบวชชายเป็นพุทธบริษัท4พุทธบริษัท4คือกลุ่มสงสาวัสังโฆที่มีบุรุษที่มีบุรุษบุรุษ8มีบุคคล4อิโซดาม และก็มีทั้งปฏิมากปฏิพนแปดนี่คือพุทธบริษัทเป็นคราวาสเรียกว่าอุบาสกอุบาสิ ก, กาและก็นักบวชชายนักบวชจริงครบมีสภาวะของอารียธรรมโซดาขึ้นไปจนถึงอรหันต์แล้วก็สะสมอรหรัตตผลไปตามลำดับตามลำดับตามลาดับ ในตามลำดำับมีจริงจึงเกิดการพิสูจน์ธรรมสารณียธรรมหพุทธพจน์เจได้อยู่กันด้วยเมตตาเมตตากายกรรมเมตตาวิจิกรรมเมตตามโนกรรมและอยู่ได้โดยลาภธรรมิกาที่เป็นสาธารณโภคีลาบโดยธรรมสิ่งที่เป็นได้ผลเป็นลาบ ไม่ได้ไปทุจริตมาเลยเป็นสมาอาชีพสมากรรมตาสมาวาจาสมาสังกปะทั้งนั้นเป็นส่วนกลางเอามาร่วมเป็นส่วนกลางเป็นสาธนาโภคีและมีหลักเกณฑ์สีนสามั ญ, ญาตาอย่างน้อยสีหนะ้านาแล้วก็สีแปดนานะแล้วก็สีนนะสิบนาสีโอวาพุทธบัติโมกนาะจึงปฏิบัติสี มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเข้าใจว่าศีลคืออะไรด้และได้ผลของศีลคืออะไรด้วยได้ผลของศีลก็คือได้ทั้งกายกรรมและมนโนกรรมไม่ใช่ได้แต่แค่กายกรรมศีลต้องได้ผลั้งจิตด้วยจนจิตเป็นปกติจิตเป็นปกติศีลจึงแปลว่าปกติปกติอะไร จิตอิสระเสรีกิเลสรบายยมุกกระไบนี้มันไม่มีละจิตมันสบายปกติจิตมันไม่ต้องต่อสู้อะไรเลยมันเป็นจิตอิสระมันขจัดกิเลสนันออกไปหมดแล้วจิตจึงฟรีแลนซ์เลยสบาย เพราะฉะนั้นเกิดกลุ่มหมู่ของอิทธพรมจริยวาโซโลกองค์ประกอบองค์ประชุมโลกคือองค์ประกอบองค์ประชุมของชาวโสมอิทธะนี่แหละโลกเนี่ยคือโลกที่ปฏิบัติพรมจรรย์กันได้จริงๆชาวโซคือคนไทยมีคนเชืชาติต่างชาติน้อ ย, อยแต่แปลกน้อ ย, อยบาง แต่ไม่ได้รวมมาคนต่างชาติได้สมาชิกจริงๆก็คือคนไทยเป็นหลักและมีจำนวนมากพอกล้ายืนยันว่าเป็นสัจจกของอารียธรรมชาวโซเนี่ยเป็นกลุ่มที่ทั้งแน่นและมีปริมาณมวลทั้งคุณภาพทั้งคุณภาพและปริมาณได้มากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นนี่คือความจริงยืนยันความเป็นชมพูทวีป ครบสุ ร, สรภาโวสติมันโตอิทะพรมจริยาวาโซแล้วและจะเสื่อมไหมไม่มีเสื่อมที่อื่นยังไม่ก่อวอดเลยไล่ไม่ทันหรอกชมพูทวีปจึงย้ายจากอินเดียมาอยู่ประเทศไทยแล้ว ธรรมะโอกเวกเนาะธรรมะร้องโวยวายโอกเบกต้งใสนี้ไปไหนล่ะอ้าวสาธุอ้าวตอนนี้ก็รายการพุงยิ้มพุทโธพุทโธหลังฉันผู้ที่สนใจเมล็ดพันธุ์ถั่วดาวินขานะคุณทิวเมฆจะมา จะมาแจกนะอยู่ด้านหลังสารานเนี่ยแต่ว่าผู้ที่จะเอาไปปลูกเนี่ยจะต้องรู้วิธีวิธีเพาะนะเดี๋ยวเขาจะอธิบายประมาณสีห้านาทีว่าเอาไปเพาะ อ, อย่างไรถึงจะขึ้นน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นถั่วยืยืนนะปลูกครั้งเดียวจะอยู่ได้ถึงห้าสิบปีผู้ที่สนใจจะรับถั่วมัิฝรั่์ถั่วเนี่ยเดี๋ยวคอยฟังคุณทิวเมฆ คุณทิวเมฆจะอธิบายให้ฟังเหลือเท่านี้นอยิงองีเอารยยี่เอช่วงนี้ก่อนที่จะฟังเร า, าจะนิมนต์นิมนต์สันาสิกรรมาพที่จรนาหานก่อน